วันนี้ก็เป็นวันพระวันนี้เป็นวันแมรมส4สขั้นเป็นวันที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้พุทธศาสนิกชนเข้ามาหาที่เพ่งทางใจกันก็คือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เพราะว่าที่เพ่งที่เรากนนำลังเพ่งอยู่ในขณะนี้ ที่พึ่งทางร่างกายคือลาบยก ส, สรรเสิร์ลรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆเป็นที่พึ่งได้ชั่วคราวมีวันที่จะหมดไปได้ถ้าเราไม่มีที่พึ่งทางใจเวลาที่เราขาดที่พึ่งทางร่างกายเราจะทุกข์มาก เวลาที่เราสูญเสียราบยศสรรเสริญสูญเสียความสุขทางตาหูจมูกนิ้งกายไปเราจะมีแต่ความทุกข์แต่ถ้าเรามีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งทางใจเราจะไม่ทุกข์เราจะอยู่อย่างมีความสุขดังนั้นอหอยเรามองพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เหมือนกับชูชีพ ที่เรามีติดเรือไว้หรือเรือชูชีพเวลาที่เราเดินทางไปในทะเล เ, เรือเกิดอับอับปางโนมลงไปเรามีชูชีพเราก็ยังพอที่จะมีอะไรพอพยุงให้เราไปสู่ฝั่งได้ถ้าเราไม่มีชูชีพไม่มีเรือชูชีพ เราก็จะลอยคอกลางทะเลซึ่งก็จะลอยได้ไม่นานเดี๋ยวก็ต้องจมเพราะไม่มีแรงหมดแรงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นี้ก็เป็นเหมือนชูชที่อของใจในยามที่เราขาดลาบยศสรรเสริญขาดรูปเสียงกลิ่นรสเราก็ยังมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ ที่จะพยุงจิตใจของเราไม่ให้ล่มจมได้ราบยศสรรเสริญสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายเป็นของไม่แน่นอนบางทีก็มาบางทีก็ไม่มาบางทีหายไปบางทีหมดไปเวลาที่เราสูญเสียราบยศสรรเสริญ สูญเสียความสุขทางตาหูจมูกนิ้งกายถ้าเราไม่มีที่พึ่งทางใจไม่มีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เราจะเดือดร้อนมากทุกข์มากบางคนทุกข์จนกรทั่งอยู่ไม่ได้ต้องคาบตัวตายเพราะขาดที่พึ่งทางใจขาดพระพุทธรธรรมพระสงฆ์พระพุทจ้าเห็นเห็นภัยที่จะเกิดขึ้นกับพวกเรา พรวกเราทุกคนนี้ไม่ช้า ก, ก็เร็ก็จะต้องเจอการพัดผ้าจากลาบยศสเสริญจากความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายกันจึงส่งสอนให้พวกเรามาเตรียมชูชีพนหน่อยเตรียมเรือชูชีพเวลาทีา่ที่พึ่งทางร่างกายคือราบยศเสริญลูกเสียงกลิ่นวัดมีวันที่จะต้องจากเราไป หรือวันที่เราจะต้องจากเขาไปเราจะได้ไม่ทุกข์ไม่เดือดร้อนกันพระพุทธพธรรมพระสงฆ์นี้เป็นที่พึ่งทางใจเวลาที่เราไม่มีลากยกเสลเสริญไม่มีความสุขทางตางหูจมูกิือกายเราจะมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มาพยุงมาให้ความสุขแก่ใจของพวกเรา อย่งนั้นในวันพระพุทธเจ้าถึงบอกว่าให้หยุดการหาราบยศสรรเสริญหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายสักหนึ่งวันแล้วมาวัดกันมาหาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์การเข้าหาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ก็คือการเข้ามาศึกษาว่าพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นใครท่านในความสามารถในความวิเศษอย่างไร ท่านจึงไม่ทุกกับการเสือสเส่อมราบลดเสรเซิญไม่ทุกกับการเสื่อมของรูปสีกลิ่นรสผดธภาไม่ทุกกับการเสื่อมของร่างกายร่างกายของพวกเราต่อไปก็ต้องแก่ลงไปเรื่อยๆแล้วก็ต้องเจ็บไข้ได้ป่วยแล้วในที่สุดก็จะต้องตายไปถ้าเราไม่มีพระพุทธรธรรมพระสงฆ์ เราจะไม่เราจะไม่มีที่เครื่องแต่ถ้าเรามีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์คือเรารู้ว่าพระพุทธเจ้าพระสงฆ์ท่านทําอย่างไรท่านจึงไม่ทุกข์กับความแก่ความเจ็บความตายท่านจึงไม่ทุกข์กับการเสื่อมของลาบยศสารเสรยของรูปเสียงเกิดวัฏฏะอันนี้เรามาศึกษากันมาหาวิธีที่จะสร้าง ที่พึ่งทางใจสร้างพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์กันพระพุทธเจ้าทรงสอนให้พวกเร า, เาทำทานกันคือเอาเงินทองที่เราอาศัยเป็นที่พึ่งนี้มาเปลี่ยนเป็นบุญกันเพราะบุญนี้จะเป็นที่พึ่งของใจได้เวลาที่เราไม่มีเงินทองให้เรามาแบ่งเงินทองที่เรา มีไว้สำหรับใช้จ่ายต่างๆแบ่งมาทำบุญบ้างทำบุญแล้วเราก็จะมีบุญประครับประคองใจเวลาที่เราไม่มีเงินทองเราจะมีบุญให้ความสุขกับเราเพราะว่าเวลาเราทำบุญแล้วใจของเราจะมีความสุขมีความเอี่ยม แล้วใจเราก็สามารถที่จะลดการเพื่อเงินทองเพื่อสิ่งต่างๆได้เพราะเรามีบุญมีความสุขใจถ้าเราไม่มีความสุขใจเวลาที่เราขาดลาบยศสรรเสริญขาดรูปเสียงเกิดลดเราจะรู้สึกทรมานใจแต่ถ้าเรามีบุญเราทาบุญอยู่เรื่อยๆเราจะ ไม่เดือดร้อนเวลาที่เงินทองขาดมือไปบ้างหรือไม่สามารถที่จะหาความสุขจากทางตาหูจหมูกเลี้ยงกายได้เรามีบุญคือความสุขใจที่เกิดจากการทำทานก็จะทำให้เราพอที่จะทนกับความปวดยากขาดแคลนได้ไม่ถึงกับทุกทรมานจนถึง กับอยากจะฆ่าตัวตาย น, นี่คือข้อที่หนึ่งันสอน่ราถ้าเรายังไม่เคยทำบุญเลยก็ให้เรามาทำบุญกันในวันพระถ้าเคยทำแล้วก็ทำให้มากขึ้นไปเพราะบุญนี้ยิ่งมีมากเท่าไหร่ยิ่งทำให้เรามีความอิ่มใจมีความสุขใจจะทำให้เราลดการพึ่งพาเงินทองเข้าของ สิ่งของบุคคลต่างๆได้ยิ่งมีความอิ่มใจมีความสุขใจเพิ่มมากขึ้นกว่าเท่าไหร่เราจะอยู่เฉยๆได้เราจะไม่ต้องใช้เงินซื้อของต่างๆไม่ต้องใช้เงินไปเที่ยวตามสถานที่ต่างๆเพราะเราได้ความสุขใจความอิ่มใจจากการทําบุญนี่เอันนี้ข้อที่ห่ง ข้อที่สองให้เรารักษาศีลกันถ้าเรายังรักษาศีลไม่ได้เลยก็ให้รักษาศีลห้าไปก่อนยังไม่เคยรักษาศีลก็ลองรักษาศีลห้าไปก่อนเพราะการรักษาศีลห้าจะทําให้ใจเราสงบมากขึ้นปัญหาน้อยลงความรุ่นวายใจน้อยลงความทุกความเดือดร้อนใจน้อยลง ความทุกข์ของเราส่วนหนึ่งก็เกิดจากการทำบาปทำสิ่งที่เป็นโทษกับผู้อื่นเมื่อทาแล้วก็ทาให้เราไม่สบายใจทำให้เราเดือดร้อนใจไม่มีความสุขแต่ถ้าเราไม่ไปทำบาปไม่ไปสร้างความเดือดร้อนสร้างความเสียหายให้แก่ผู้อื่นใจของเราก็จะไม่เดือดร้อน ใจของเราก็จะสบายนี่คือสิ่งห้าข้อด้วยกันที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้พวกเราเหมือนรักษากันให้ได้เพราะนอกจากจะมีประโยชน์ในขณะที่เรามีชีวิตอยู่แล้วเวลาที่เราตายไปเราจะไม่ต้องไปเกิดในอบายสิ่งนี้จะป้องกันไม่ให้เราไปเกิดเป็นเดนรัจฉาน ไม่ไปเกิดเป็นเปรตไม่เกิดเป็นผีไม่ให้ไปเกิดในนรกอยากให้เรากลับมาเกิดเป็นมนุษย์หรือถ้าเราได้ทำบุญด้วยได้ทำทานด้วยเรามีบุญมีสิงเราก็จะได้ไปเที่ยวในสวรรค์กันไปเป็นเทวดาไปมีความสุขมากกว่าความสุขที่เรามีกันอยู่ในโลกนี้ โลกของเทวดานี้เขาไม่มีร่างกายเขาสามารถไปไหนมาไหนได้อย่างสะดวกรวดเร็วลูกเสียงเก็บนกที่เขาเสกก็เป็นลูกเสียงเก็บนกที่พิสดารที่เลิศกว่ารูปเสียงเก็บนกที่มนุษย์เสกกันนี่คือที่พึ่งของเราเวลาที่เราไม่มีร่างกายเป็นที่พึ่ง เราจะไม่ต้องไปพึ่งร่างกายของเดรัจฉานถ้าเราไม่รักษาศีลเรายังฆ่าตัดตัดชีวิตอยู่รักทรัพย์ประพฤติผิดตโดตยีพูดปดเสพสุรายามาเวลาตายไปเราจะไปพึ่งร่างกายของเดรัจฉานพึ่งร่างกายของแมวของสุนัขของนกของปูของปลาเป็นที่พึ่งเป็นที่อาศัยอยู่ เราจะไม่สามารถมาพึ่งร่างกายของมนุษย์หรือพึ่งร่างกายของเทวดาไนดะ้เพราะว่าบาปที่เราทำว้นี้มันมีโทษที่เราจะต้องไปใช้พร ะ, ะเจ้าเจงสอนใน้วกเราพยายามรักษาสิ่งห้ากันให้ได้รักษาสิ่งห้าแล้วก็ทำบุญทำทานเราก็จะปลอดภัยจากการเกิดในภาย ตายแล้วก็จะได้ไปเกิดบนสวรได้ไปเป็นเทพจนกว่าบบุญที่เราได้ทําไว้บมดลงเราก็จะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่แล้วา ก, กลับมารับอนิสงของบุญที่เราทำคือเงินทองที่เราทําไปนี้มันจะรอเราอยู่เหมือนกับเงินที่เราฝากไว้ในธนาคารพร้อมดอกเบี้ยดอกเบี้ยทับต้น จะได้มากกว่าบุญมากกว่าเงินทองที่เราทําไปในในขณะนี้หลายเท่าเราทำเงินทำบุญร้อยบาทแล้วอาจจะได้กลับมาเป็นสิบเทา่าเป็นพันบาทถ้าหน้ากลับมาจะมีเงินทองมากกว่าเก่าถ้าเราทําบุญถ้าเราไม่ทําบุญเนี่ยเราก็จะได้เท่าเดิ เพราะว่าเราไม่ได้เอาไปฝากไวในธนาคารกลับมาก็ต้องเริ่มหาใหม่เพื่อสูงเราจะไม่มีเงินทองรอเราเงินที่เราบอยจากเนี่ยเป็นเหมือนกับเงินเอาเข้าธนาคารที่จะรอเราในชาติหน้าเวลาที่เรากลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่งนั้น ขอให้เราสร้างที่พึ่งทางใจกันเพราะว่าชีวิตเรานี้ไม่ได้หมดไปหลังจากที่ร่างกายเราตายไปแล้วหลังจากร่างกายนี้ตายไปแล้วใจของเรานี้ไม่ได้ตายไปกับร่างกายใจของเรานี้แหละที่ไปเป็นผู้ไปรับผลบุญผลบาปที่ไปเกิดเป็นอะไรต่างๆก็คือใจซึ่งอยู่กับบุญกับบาป ท, ที่ทำไว อันนี้คือการทาบุญเรื่องต้นสำหรับผู้ที่ยังไม่เคยทาบุญมาก่อนก็ให้มารักษาศีลห้าให้มาทาบุญบริจาคเงินทองเข้าของให้แก่ผู้ที่ขาดแคลนดกทุกได้ยากเดือดร้อนจะเป็นพราภิกษุกก็ได้จะเป็น พาว่าผู้คองเรือนก็ได้คนที่ยากจนคนที่ขาดแคลนคนที่เจ็บไข้ได้ป่วยคนที่ต้องการความช่วยเหลือจากเราทาบุญได้ทำกับใครก็ได้ทำกับวัดก็ได้ทำกับโรงพยาบาลก็ได้ทำกับโรงเรียนก็ได้ทำกับบุณนิธิต่างๆที่ทำประโยชน์ให้แก่สังคม ก็ได้เป็นไปเหมือนกันเป็เหมนเอาเงินเข้าฝากธนาคารเหมือนกันธนาคารที่มีหลากหลายเราเลือกฝากได้เราชอบธนาคารไหนเราก็ไปฝากธนาคารนะั้นอันนี้ก็เป็นเรื่องของการสร้างที่พึ่งทางใจสร้างพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ พราะพระพุทธเจ้ากับพระสงฆ์ท่านก็สร้างที่เพึ่งแบบนี้กันพระพุทธเจ้าก็ทําบุญทําทานแต่พระพุทธเจ้านี้ท่านทํามากเพราะท่านต้องการผลคือที่เพึ่งที่สูงกว่าสูงสุดเหมือนกับการซื้อประกันภยัยซื้อประกันชีวิตก็มีหลายราคาเราจะเลือกซื้อได้ประกันชีวิตจ่าย หนึ่งล้านจ่ายจกบล้านหรือจ่ายร้อยล้านเราเลือกซื้อประกันชีวิตประกันภยัยตาม ร, ราคาที่เราต้องการได้ถ้าเราทําบุญทําทานแล้วก็รักษาศีลห้านี้เราก็ซื้อประกันภยัยในระดับในระดับต่ำถ้าเราอยากจะได้ประกันภัยระดับสูงขึ้นเราก็ต้องเพิ่ม การรักษาสินงห้าให้เป็นสิงแปดแล้วก็มาหัดนั่งสมาธิทำใจให้สงบอันนี้ก็จะเป็นประกันภัยระดับที่สองระดับที่สูงกว่าสวรรค์ชั้นเทพคือผู้ที่รักษาสิงแปได้นั่งสมาธิได้ก็จะได้ไปเกิดบนสวรชั้นพรหมแล้วขณะที่เป็นมนุษย์ก็จะ ไม่เดือดร้อนกับการใช้เงินใช้ทองซื้อความสุขต่างๆเพราะถ้ารักษาศีลแปดได้ก็ไม่ต้องไปเที่ยวที่ไหนอยู่บ้านหรืออยู่วัดได้ไม่ต้องไปวุ่นวายกับการหาเงินเพื่อมาใช้เงินซื้อของต่างๆให้ความสุขเพราะะสามารถหาความสุขจากการนั่งสมาธิทําใจให้สงบได้ที่เป็นความสุขที่ดีกว่าความสุข ที่ไดจากการไปเที่ยวตามสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆไปเที่ยวดูมหอรส์สบันเทิงต่างๆอันนี้เป็นความสุขระดับต่างระดับยากว่าความสุขที่ได้จากการฝึกทำใจให้สงบจากการรักษาสินะเพื่อที่จะหาความสุขทางใจ พู้ที่จะต้องการทําใจให้สง บ, บนี้ยังเป็นจะต้องเลิกกิจกรรมทางร่างกายเลิกหาความสุขทางร่างกายเช่นไม่ร่วมหลับนอนกับใครไม่รับประทานอาหารหลังจากเที่ยงวันไปแล้วไม่ไปเที่ยวตามสถานบันเทิงต่างๆไม่ได้ไปดูไม่ดูหมอหอระศพเช่นหนังละครไม่ไปงานเลี้ยง แล้วก็ไม่แต่งเนื้อแต่งตัวด้วยเสื้อผ้าอภารณ์ที่สวยสดงดงามวิจิตรพิสดารไม่เสริมความงามทางร่างกายทำเผ่าทำผมแต่งหน้าทาปากใช้น้ามันใช้น้ำหอมอันนี้เป็นการหาความสุขแบบเทวดาเราจะหาความสุขแบบพรมพรมนี้ไม่ต้องการใช้ความสุขทางตาหูจมูกเลี้ยงกาย ต้องการความสุขที่เกิดจากก็ความสงบที่ได้ชิดจากการนั่งสมาธิจะมีเวลานั่งสมาธิได้ก็ต้องหยุดกิจกรรมทางร่างกายหยุดการร่วมหลับนอนหยุดการรับประทานอาหารหลังเที่ยงวันไปแล้วหยุดการท่องเที่ยวต่างๆแล้วก็นอนให้พอประมาณนอนไม่มากเกินไป นอนพอพักผ่อนร่างกายนอนประมาณห้าชั่วโมงี่ห้าชั่วโมงก็พอถ้านอนบนฟูกหนาๆก็จะนอนนานพอหลังจากที่ตื่นขึ้นมาแล้วจะไม่อยากจะลุกเพราะถ้าฟูกหนามันสบายก็จะนอนต่อแทนที่จะหาความสุขจากการานั่งสมาธิทำใจให้สงบก็จะหาความสุขจากการนอนบนฟูกหนาๆแทน ซึ่งเป็นความสุขที่ อ, อยากกว่านะี้สั้นกว่าความสุขที่จะได้จากการมานั่งสมาธิเป็นความสุขที่ละเอียดกว่าดีกว่ามากกว่านี่คือหน้าที่ของการรักษาสิงหแปดเพื่อที่พวกเราจะได้ไม่ไปเสียเวลากับกิจกรรมทางร่างกายกิจกา ร, รหาความสุขทางร่างกาย เราจะได้มีเวลามานั่งสมาธิมาเจริญสติเดินจงกรมพุทโธพุทโธไปสรับกับการนั่งสมาธิไม่ให้ใจคิดถึงเรื่องราวต่างๆคอยควบคุมใจไม่ให้คิดคิดแล้วใจจะไม่สงบถ้ามีพุทโธนี้คอยคุมไว้ใจก็จะสงบสงบแล้วก็จะมีความสุขนี่คือระดับ ความสุขระดับที่สองคือระดับที่ได้จากการยึดติดการหาความสุขทางร่างกายแล้วมาหาความสุขทางใจในวันพระกันแต่ถ้าอยากจะได้ความสุขแบบตลอดเวลาทุกทุกวันนี้ก็ต้องซื้อประกันภัยขั้นที่3นะก็คือสละทรัพย์สมบัติเก้าของเงินทอง แล้วก็ไปอยู่วัดไปออกบวชอยู่วัดเลิกใช้เงินทองเป็นเครื่องมือหาความสุขจะได้มีเวลามาหาความสุขจากการทำใจให้สงบด้วยสมาธิและด้วยปัญญาถ้าหาความสุขจากการนั่งสมาธินี้จะสุขตอนเฉพาะเวลาอยู่ในสมาธิเวลาออกจากสมาธิมาก็จะกลับมาอยู่บน โลกของมนุษย์ก็ความสุขของพร่ก็จะหายไปถ้าอยากจะไม่ต้องกลับมาหาอยู่ความสุขในระดับมนุษย์อยากจะอยู่ความสุขของพร่งตลอดเวลาก็ต้องใช้ปัญญา <c oughs> ปัญญานี้จะทําให้เราสามารถรักษาความสงบได้หลังจากที่ออกจากสมาธิมาแล้วปัญญาคืออะไร ปัญญาก็คือความจริงที่พระพุทธเจ้าได้ทรงตัดสรจโรสีปกรว่าความวุ่นวายใจความทุกข์ใจการเรียนว่ายตายเกิดของเราเกิดจากความอยากของเราเกิดจากกามาตัณหาภาวะตัญหาวิภาวะตัณหาการมาตัณหาก็คือความอยากในรูปเสียงกลิ่น <c oughs> รสภาวะตัณหา ก็คือความอยากได้ลาบยศสารเสริญสุขดวิปะวะตัญหาก็คือความอยากไม่ให้ลาบยศสารเสริญสุขเสื่อมไปจากเราไปถ้ามีความอยากเหล่านี้อยู่ภายในใจแล้วมันจะทําลายความสงบที่เราได้จากการนั่งสมาธิเนี่ยเวลาออกจากสมาธิมาเราใช้ปัญญานี้คอยสอนใจเตือนใจว่าอย่าไปทําตามความอยาก อย่าไปหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายอย่าไปหาราบยศสรรเสริญสุดอย่าไปหวงอย่าไปยึดไปติดกับราบยศสรรเสริญสุดเพราะสักวันหนึ่งก็จะต้องมีการทัดท่าจากกันไปถ้าเราไม่ยึดไม่ติดเราก็จะไม่ทุกข์ใจของเราจะสงบเราจะไม่เดือดร้อนกับการสูญเสียของราบยศสรรเสริญ ส่วนเสียของร่างกายและเราก็จะไม่ต้องกลับมาเกิดมีร่างกายอันใหม่อันนี้เป็นการาซื้อประกันขั้นสูงสุดก็คือออกบวชเพื่อที่เราจะได้มาเจริญศีลสมาธิปัญญาอย่างเต็มที่ตลอดเวลาตอนต้นเราก็ทำอาทิตย์ละครั้งก่อนเป็นการทดลองดูว่า การหาความสุขทางใจนี้ดีกว่าการหาความสุขทางร่างกายอย่างไรพอเราได้สัมผัสกับความสุขที่เกิดจากความสงบของใจแล้วเราจะติดใจเราจะรู้ว่ามันดีกว่าเพราะเราไม่ต้องใช้เงินทองซื้อความสุขแบบนี้เราไม่ต้องใช้ร่างกายเราไปร่างกายแก่เจ็บตายเราก็ยังมีความสุขได้จากการที่เราทำใจให้สงบ การทำใจให้สงบนี้ขอให้มีสติมีสมาธิมีปัญญามีศีลเท่านั้นเองก็จะสามารถที่จะรักษาใจให้สงบได้ตลอดเวลานี่คือการซื้อประกันหรือซื้อที่พึ่งที่สูงสุดพระพุทธเจ้าท่านไม่ต้องการกลับมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายเพราะท่านกลัวความแก่ความเจ็บความตายเพราะ <ambiente alum n ios> ความแก่ความเจ็บความตายนี่มันน่ากลัวมันทุกข์ไม่มีใครอยากจะแก่กันไม่มีใครอยากจะเจ็บกันไม่มีใครอยากจะตายกันแต่เมื่อมาเกิดแล้วก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายถ้าไม่กลับมาเกิดเท่านั้นถึงจะไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายและวิธีที่จะไม่กลับมาเกิดก็ต้องหยุดความอยากต่า ง, งๆหยุดกามตัาหาภาวะตันหาวิภาวะตันหาจะหยุด ตัณหาเหล่านี้ได้ก็ต้องมีปัญญามีสมาธิมีสติมีสีถึงจะสามารถหยุดความอยากหยุดการเวียนว่ายตายเกิดหยุดความทุกข์ที่เกิดจากความอยากต่างได้พระพุทธเจ้าท่านได้ทำมาแล้วท่านสำเร็จแล้วท่านได้พบกับที่พึ่งที่สูงสุดแล้วไม่ทุกข์กับการเสื่อมของลาบยศสารเสริญสุข ไม่ทุก์กับการเสื่อมของร่างกายร่างกายจะแก่จะเจ็บจะตายท่านก็ไม่เดือดร้อนแล้วท่านก็ไม่ต้องกลับมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายอีกต่อไปไม่ต้องมีความทุกข์อีกต่อไปหลุดพ้นจากความทุกข์เมื่อท่านรู้จากวิธีแล้วท่านก็นอาออกมาเผยแผ่สั่งสอนให้แก่พวกเราที่ยังไม่รู้กัน พอเราได้ยินไดฟังนั่งนําเอาไปปฏิบัติเราก็จะหลุดพ้นจากความทุกข์กลายเป็นพระอรหันตสาวกขึ้นมาพระอรหันตสาวก็คนธรรมดาอย่างพวกเรานี่แหละที่ได้พบกับพระพุทธเจ้าหรือได้พบกับพร่อทำคําสอนของพระพุทธเจ้าฟังแล้วก็เกิดศรัทธาพระพุทธเจ้าสอนหน้าวันพระให้หยุดทํา ง, งานสักวันหนึ่งหยุดหาเงินหาทองกัน หยุดหาความสุขทางร่างกายกันแล้วมาหาความสุขทางใจกันมาซื้อประกันภัยมาซื้อที่พึ่งทางใจกันเอาเงินนี้มาทําบุญทําทานกันมารักษาศีลห้าศีลแปกันมานั่งสมาธิทําใจให้สงบฟังเทศฟังธรรมเพื่อให้เกิดปัญญาให้รู้ว่าความทุกข์นั้นเกิดจากความอยากความสงบเกิดจากการมีสติ หยุดความอยากถ้ามีสติมีปัญญาก็จะหยุดความอยากได้ใจก็จะสงบใจก็จะมีความสุขความทุกข์ก็จะหายไปถ้าเราไม่มาวัดเราจะไม่ได้มีโอกาสมาได้ยินได้ฟังเรื่องราวแบบนี้เพราะว่านอกวันนี้ไม่มีใครพูดถึงเรื่องของการทำบุญไม่มีใครพูดถึงเรื่องการรักษาศี ไม่มีใครพูดถึงการเจริญสตินั่งสมาธิเจริญปัญญามีแต่จะพูดถึงเรื่องหาราฟยศรเสิริญหาความสุขทางตางหูจมูกทิ้งกายกันทำยังไงจะได้เงินเยอะๆอย่างวันนี้พวกที่แทงหวยแทงเลขก็นั่งจดจ่อยอยู่กับหวยกับเลขว่าวันนี้จะออกเบอร์อะไรมาก็คิดอยู่กับเรื่องเลขนะ พอได้เงินมาก็จะได้ไปเที่ยวกันไปซื้อข้าวของซื้อความสุขทางตาหูจมูก น, นิ้งกายกันพอซื้อไม่กี่วันเงินก็หมดหมดก็รอวนวดหน้ามาแทงหวยกันใ ห, หม่ก็จะคิดอยู่กับเรื่องหาเงินหาความสุขทางตาหูจมูก น, นิ่งกายจะไม่ได้มีโอกาสได้มาวัดมาฟังเทศ ฟ, ฟังธรรมถ้าฟังเทศ ฟ, ฟังธรรมก็จะรู้ว่าการหาความสุขทาง เงินทองนี่มันพุ่นวายเพราเวลาไม่ถูกก็เสียใจเดี๋ยวพอหวยออกแล้วแทงไม่ถูกก็ใจก็ซึมเศร้าต่อไปจะไปเที่ยวที่ไหนก็ไปไม่ได้จะไปซื้ออะไรก็ซื้อไม่ได้เดี๋ยวว่าไม่เข็ดเดี๋ยวรองวดหน้าเอาใหม่แต่ถ้ามาฟังเทศทางธรรมนะพระพุทธเจ้าบอกว่า อย่าไปหาความสุขจากลาบยศสมาเสญเลยมันไม่แน่นอนเวลาได้ก็ดีไปแต่เวลาไม่ได้นี่เสียใจไม่สบายใจเัยมาหาความสุขที่ได้แน่ๆดีกว่าไม่ต้องรอเลขรอเบอร์ไม่ต้องรอแทงหวยเพียงแต่ให้มีพุทโธพุทโธอยู่ในใจเรื่อยๆเท่านั้นเองแล้วเวลานั่งสมาธิใจจะสงบใจสงบแล้วก็จะมีความสุข แล้วถ้ามีปัญญาก็จะสามารถรักษาความสงบที่ได้จากการนั่งสมาธิได้ทำให้เรามีความสุขโดยที่ไม่ต้องใช้เงินใช้ทองไม่ต้องมาคอยเฝ้าดูว่าวันนี้หวยจะออกเมอร์อะไรแล้วพอได้เงินมาก็เอาอไปใช้กันได้ความสุขเดียวๆแล้วพอเงินหมดก็อยากจะใช้อีกเพราะว่าการซื้อความสุขแบบ นี้จะไม่มีวันอิ่นไม่มีวันพอได้เที้ยวเท่าไหร่ก็ไม่พอได้ดูได้ฟังเท่าไหร่ก็ไม่พอมันยังหิวอยู่นั่นยังอยากอยู่นั่นแล้วเดี๋ยวเวลาไม่มีเงินทองก็เดือดร้อนเวลาร่างกายไม่สามารถไปไหนมาไหนได้ก็จะเดือดร้อนแต่ถ้าเรารู้จักวิธีสร้างความสุขทางใจเราจะไม่เดือดร้อน พะเราไม่ต้องใช้ร่างกายไม่ต้องใช้ลาบยศสารเสริญนสุขสร้างความสุขให้กับเราเราใช้ศีลสมาธิปัญญาอย่างที่ท่านทั้งหลายมาศึกษาและมาปฏิบัติกันบางท่านก็ทำบุญรักษาศีลห้าไปก่อนบางท่านทำบุญรักษาศีลห้าได้นะก็ขยับขึ้นไปสู่การรักษาศีลแปดสู่การนั่งสมาธิสู่การฟังเทศฟังธรรม จเจริงปัญญาให้เห็นว่าความทุกข์ความไม่สงบนี้เกิดจากความอยาก <Yeah. S 1> ความสงบนี้เกิดจากความไม่มีความอยากิธีจะไม่มีความอยากก็ต้องใช้สติหยุดแล้วก็ใช้ปัญญารักษาถ้าเรามีสติมีปัญญาเราจะรักษาความสงบรักษาความสุขได้เกิดเราเราจะทำให้เราไม่ต้องกลับไม่ต้องมาพึ่งร่างกาย ร่างกายนี้ตายไปเมื่อไหร่เราก็ไม่เดือดร้อนและเราก็จะไม่กลับมามีร่างกายอีกใหม่ไม่ต้องมาแก่มาเจ็บมาตายใหม่แต่ถ้าเรายังเพิ่งราบยศสรรเสริญเพิ่งลูกเสียงกลิ่นรดอยู่เวลาร่างกายนี้ตายไปเราก็จะกลับมาเกิดใหม่ก่อนจะกลับมาเกิดใหม่ก็อาจจะไปเกิดเป็นเปิเป็นเระชานไปก่อนถ้าไม่รักษาศีลถ้ายังทําบาปอยู่ ถ้าไม่ได้ทำบาปรักษาศีลได้ทำบุญได้ก็ไปสวรรค์ก่อนแต่ก็ยังต้องกลับมาเกิดใหม่กลับมาเวียนว่ายตายเกิดใหม่ถ้าเราไม่ได้ไปถึงที่พิ่งชั้นสูงสุดที่พิ่งชั้นสูงสุดก็คือที่พิ่งของพระอริยเจ้า อ, อันนี้เป็นที่พิ่งสูงสุดถ้าได้ไปถึงขั้นพระอารหันต์แล้วก็ไม่ต้องกลับมาเวียนว่าตายเกิดอีกต่อไปอ นี่คือที่พึ่งของเราที่เราจะได้จากพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์พระพุทธเจ้าพระอาหารหันตสาวกท่านจะสอนพวกเราให้รู้จักวิธีสร้างที่พึ่งที่แท้จริงที่จะทำให้เรานี้ไม่ทุกข์ไม่เดือดร้อนกับการขัดที่พึ่งทางร่างกายต่อไปร่างกายเราอาจจะกินไม่ได้เจ็บได้ได้ป่วย ทำเนีอะไรไม่ได้ไปเที่ยวไหนก็เที่ยวไม่ได้หรือร่างกายตายไปเราจะไม่มีที่พึ่งทางร่างกายแต่ถ้าเรามีที่พึ่งทางใจเราก็จะไม่เดือดร้อนเหมือนเวลาที่เราเดินทางในเรือเกิดเรือล่มเรืออับปางไปเรามีชูชีพเรามีเรือชูชีพเราก็อาศัยชูชีพหรือเรือชูชีพพาให้เราไปที่ปลอดภัยได้ เงา น, นขอให้พวกเร า, อ, าอย่าลืมความสําคัญของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มันเข้ามาในวันพระอย่างน้อยก็ต้องวันพระอาทิตย์ละหนึ่งวันแต่ไม่ใช่เป็นอย่างมากอันนี้เป็นการเริ่มต้นเริ่มต้นการสร้างที่เพิ่งเริ่มต้นด้วยวันพระก่อนแล้วต่อไปก็อาจจะเพิ่มเป็นสองวันสามวันสี่วันห้าวัน ถ้าเห็นว่าทำแล้วมีความสุข ด, ดีกว่าม่การมีราบยุตเสรรเสริเราก็จะเข้าหาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มากขึ้นไปตามลำดับต่อไปก็อาจจะอยู่วัดไปตลอดเลยทุกวันเจวันไม่กลับบ้านเพราะกลับบ้านแล้วมันมูดวายมีแต่เรื่องมีแต่ปัญหามีแต่ความทุกข์ให้คอยแก้อยู่เรื่อยๆอยู่วัดดีกว่าอยู่วัด ทุกคนปฏิบัติทำทุกคนทำใจให้สงบทุกคนปล่อยวางไม่มีใครแก่งแย่งชิมดีไม่มีใครขอโน่นขอนี่จากเราเพราะทุกคนพึ่งตัวเองได้ทุกคนมีความสุขในตัวของเขาเองได้เลยไม่มีใครมาสร้างความวุ่นวายให้แก่กันแล้กันไม่เหมือนอยู่บ้านนี้ไม่มีใครพึ่งตนเองกันชอบพึ่งคนอื่นกัน ชอบมาขอนู่นขอนีอ่ชอบให้ช่วยทานุ่นทำนี่พอไม่ทำก็โกรธเรามโหเสียใจเวลาเราเพิ่งเราเราเพิ่งเราไม่ได้เราไปขอเพิ่งคนอื่นเขาไม่ให้เราเพิ่งเราก็โกรธเขาเราก็เสียใจวิถีชีวิตของการใช้ราบยศสรรษสุขเป็นที่เพิ่งมันจะนำไปสู่ความวุ่นวายใจนำไปสู่ความทุกข์ ว่มันไม่ได้นําไปสู่ความอิ่มความพอมันนําไปสู่ความอยากเพิ่มมากขึ้นได้แค่นี้แล้วก็ไม่พอต้องได้มากกว่านี้ถึงจะดีใจแต่พอได้เครื่องขึ้นไปไม่งานก็ไม่พอใจอยากจะได้เพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆไม่เชื่อฐานพวกข้าราชการอยู่เลยตอนต้นก็เป็นพลทหารต่อไปก็เป็นนายสิบพอได้นายสิบต่อไปก็อยากจะได้นายร้อย พอได้ในร้อยแล้วก็อยากจะได้ในพันอยากในพันก็อยากจะได้ในพนอยากจะขึ้นไปเรื่อยๆไม่มีวันพอ <c oughs> นี่คือ <c oughs> ความสุขทางราบยศเสริญมันจะไม่ได้นำไปสู่ความพอนำไปสู่ความอยากพอมีความอยากแล้วมันก็ทำให้ต้องเดิงต่อไปต้องสู้ต่อไปเหนื่อยต่อไปแต่ถ้ามา หาที่พึ่งทางใจด้วยการทําบุญทําทานรักษาสีมในการนั่งสมาธิด้วยการเจริญปัญญานี้ใจจะอิ่มขึ้นไปเรื่อยๆความสุขจะมีเพิ่มมากขึ้นไปเรื่อยๆจนถึงอิ่มเต็มที่ไม่อยากได้อะไรเลยไม่อยากได้ลาบยศเสรเสรไม่อยากได้ชีวิตเลยอายุจะแกะ่จะเจ็บจะตายเมื่อไหร่ก็ไม่เหนื่อยร้อนไม่คอยคิดจะขอต่ออายุตายวันนี้ก็ตายได้ คนที่มีความอิ่มทางใจร0อซ็แล้วจะไม่ทุกข์ไม่เดือดร้อนกับเรื่องของร่างกายเลยนี่แหละคือที่พึ่งทางใจที่จะเป็นที่พึ่งที่แท้จริงของพวกเราเวลาที่ที่พึ่งชั่วคราวของเราหมดสภาพไปก็คือลาบยะเสริญสุขทางตาหูจมูกเด่นกายและร่างกายต่อไปมันจะต้องหมดไป ถ้าเรามีที่พึ่นทางใจแล้วเราจะไม่เดือดร้อนกันดังนั้นถ้าเรายังไม่ได้ทําเป็นกิจจลักษณะเข้าหาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นกิจลักษณะเกิดทุกข์อย่างน้อยอาทิตย์ละหนึ่งครั้งคือในวันพระก็ควรที่จะเริ่มทํากันเขาวัดกันทําบุญทําทานกันรักษาศีลกันศีลห้าก่อนแล้ค่อยศีลแปด ถึงแปดได้ก็หัานั่งสมาธิอยู่วัดฟังเทศฟังธรรมปฏิบัติธรรมไปแล้วก็จะปฏิบัติเพิ่มมากขึ้นไปต่อไปจากวันหนึ่งก็เป็นสองจากสองก็เป็นสามไปเรื่อยๆต่อไปก็ไม่อยากจะกลับบ้านอยู่วัดดีกว่าอยู่วัดอยู่วัดแล้วสงบสบายใจอยู่บ้านแล้ววุ่นวายใจมีแต่เรื่องมีแต่ปัญหาต่างๆมาให้ขบให้คิดให้แก้อยู่เรื่อย นี่คือเรื่องของการเข้าวัดในวันพระเพื่อมาสร้างที่พึ่งทางใจมาสร้างความสุขทางใจที่แท้จริงมาดับความทุกข์ต่างๆเพราะความสุขที่แท้จริงนี้ไม่มีความทุกข์ตามมานั่นเองส่วนความสุขทางราบนิสเซลเสริมความสุขทางร่างกายนี้เป็นความสุขชั่วคราวเวลาหมดไปความทุกข์ก็จะตามมาทันที ก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาขออนุโมทนาให้พรเขาโอกาสจะพาวันนี้ลูกได้พาคณะเพื่อนๆแล้วก็พี่ที่ทำงานที่เป็นแอร์สากัมบิลคูเวตประจำประเทศไทยก็ขันก็ได้นำน้ำมาถวายเข้าไปเพราะว่า่างท่านก็เคย ฟังธรรมะจากองค์ของพ่อแต่ยังไม่เคยได้ได้มาเห็นนจ้าค่ะก็เลยได้ทานแล้วให้มีสติแล้วเอาเงินเข้าธนาคารดูนะจะได้มีรูมหล่อเลี้ยงจิตใจทำให้ไม่ขี้โอ้หกับสิ่งต่างๆไม่มีเงินใช้ก็ไม่เดือดร้อนถ้มีเงินนะตายไปก็ได้ไปสวรรค์กลับมาก็มี ข้าวของรอเราอยู่ทำบุญไม่เสียไม่หายไปไหนเหมืนซื้อประกันทอเสื้อประกันชีวิตนะพอพอรถทางเขาก็เปลี่ยนรถให้เราใหมา่ัอร่างกายตายไปเดี๋ยวกลับมาแล้วก็ได้ร่างกายอันใหม่ที่ดีกว่าเก่ารับสมบัติในทางหายไปเดี๋ยวกลับมาก็ได้ของใหม่มบุญเหมืนอนซื้อประกัน ซ <Yes. S 1> ืประกันภัยซื้อประกันชีวิตซือประกันสมบัติต่างๆอันนี้แหละประกันเท็กประกันภัยที่แท้จริงค่ะลูกก็อยู่ในภาวะตั้งตัดสินใจที่จะออกจากงานเพื่อจะมาภาวนาเดีค่นั่นแหละก็พยายามจะตัดสินใจแต่ก็ตัองขอโทษท่านท่านรวยแต่เราขยันนะใหายโตขนาดนั้นท่านก็ยังทิ้งได้เพราะท่านเห็นบุญสําคัญกว่า เห็นธรรมะสำคัญกว่ายาบอกให้สละทรัพย์สละอาวาัยวะสละชีวิตเพื่อธรรมธรรมนี้สำคัญที่สุดธรรมนี้เป็นสมบัติที่แท้จริงอรยทรัพย์ทรัพย์ภายในที่จะไปกับเราเป็นของเราทรัพย์ภายนอกยศภายนอเนี่ยชื่อขณะมีชีวิตอยู่อยังไม่ทันตายเขาก็เอาคืนไปนะเดี๋ยวหกสต้องขอคืนนะ น้เสื้อซีดีหยิบได้นะใครต้งการไหน้องเสื้ตัวนี้ต้องผูกขาวเดี๋ยวเนื่องดวงตามหาบัวดูชีวิตของพระอริยเจ้าท่านอยู่เป็นยังไงท่านใช้เงินใช้ทองของพวกเราหรืท่านหาเงินหาทองของพวกเราหรือเปล่าหรท่านหาแต่ธรรมแต่ธรรมังสะระณังกระฉามีกันหาความสงบสมาธิหาสีมหาปัญญากัน กระด้างโหลดได้ถ้าไม่มีหนังสือก็ดาวน์โหลดได้ในเว็บไซต์นึงที่ดาวน์โหลดเข้ามาองปู่มั้งเว็บไซต์กรรมฐาน .com กรรมฐาน .com มีเว็บไซต์2อหลังพสุชาติ .com แล้วกรรมฐาน .com มีที่จะดาวน์โหลดหนังสือได้ถ้าไม่ได้มาที่นี่ อยากไปอ่านังสือต่างๆพรานั้นนี่สองเว็บไซต์พระสุชาติคอมก็ได้ดกรรมฐานดอทคอก็ได้ต่อไปก็คงจะมีประวัติหงปู่ม่หนอใหม่ไหว่ามีคนสนใจเดี๋ยวก็มีคนพมพ์นมาแจกมีคาเติได้ดูชีวิตตัวยา ของผู้ที่ดำเนินสู่าทางธรรมผู้ที่หาทรรกันอยู่กันแบบง่ายอยู่ในป่าคนเดียวอยู่กับชาวป่าชาวเขาแต่ก็มีความสุขมากกว่านคนที่มีค้าราชารร้อยล้านพันล้านใจสบายอยู่กับทหารก็ต้องมีเราพอๆข้าราชการก็ต้องมีเราพอๆคนคุ้มครองรักษาอยู่ในป่าก็มีสมบัติแค่8ดชิ้น มีอัฐบริขานไม่มีใครอยากได้มีบาทหนึ่งใบมีที่วอญสามผืนมีที่รัดเอวมีใบมีดโกนมีเข็มกับได้กับที่กองนะนี่คือสมบัติของของพระอริยเจ้าท่านมีแค่นี้ท่านไม่ต้องมีอะไรมากเพราะท่านมีสมบัติภายในที่ดีกว่า ที่คุ้มคองเป็นรอปรอทำให้ท่านไม่มีความกลัวเลยอยู่ที่ไหนก็อยู่ได้มีใครอยากจะถามอะไรไหมถามได้นะคราวนี้เปิดโอกาสให้ถามนะไม่มีเดี๋ยวจะให้ทางบ้านที่เขาเขียนคาถามเข้ามาได้ถามกัน ฟังไปก่อนก็ได้เดี๋ยวอาจจะฟังแล้วอาจจะได้คําถามขึ้นมาทีหลังคําถามจากผู้ปรึกษาคำถามจากยายประทุมมาคําว่าทําสมาธิอาจารย์บางท่านบอกว่าจะนั่งนอนยืนเดินหรือว่าทํางานก็ทําได้ทั้งนั้นจริงหรือเปล่าคะอันนั้นท่านหมายถึงสติคือเราจะเจริญสติได้ในเทวกิริยาบทการเจริญสติก็คือการควบคุมความคิด ใจของเรานี้เป็นเหมือนรถยนต์ความคิดของเรานี้เป็นเหมือนรถยนต์ถ้าเราไม่คุมมันไม่หยุดมันมันก็จะวิ่งไปเรื่อยๆวิ่งไปแล้วมันก็จะไปชนไปทำํำเกิดอุบัติเหตุได้ถ้าเราหยุดรถได้มันก็จะปลอดภัยนี่รถใจของเรามักจะไม่มีคนขับนะคนขับก็มีแต่เป็นคนเมาคือโมหะอวิชชาความหลงเป็นผู้ขับความคิดของเรา ให้เราคิดไปในทางความอยากที่จะนำเราไปสู่ความทุกข์กันทุกวันนี้ที่เราทุกข์กันนี้ทุกเพราะความคิดเราจึงต้องมาฝึกหยุดความคิดเพราะมันคิดไปในทางที่ทำให้เรามีความทุกข์กันหยุดความคิดก่อนถ้าเราหยุดได้แล้วขั้นที่สองเราจะได้สอนให้มันคิดไปในทางที่จะคิดไปทำให้เกิดความสุขความคิดก่อนเราเนี่ยมันคิดไปได้สองทาง คิดไปให้เกิดความทุกข์ก็ได้คิดไปให้เกิดความสุขก็ได้เรื่องเดียวกันเนี้ยคิดคิดแล้วสุขก็ได้คิดแล้วทุกข์ก็ได้เช่นเสียเงินไปเนี้ยสมมติวันนี้โยมตั้งใจจะมาทำบุญพอดีเงินที่ทำบุญนี้หายไปถูกขโมยไปถ้าคิดไปในทางความอยากอยากจะได้คืนมันก็จะเสียใจทุกข์ใจ แต่ถ้าคิดว่าไหนๆก็จะมาทําบุญแล้วเมื่อมีคนก็มารับบุญก็ให้เขาไปสิี่ยก็บุญเหมือนกันเราก็ไม่ทุกข์ใจเราก็สุขใจเพราะเราไม่ได้คิดอยากจะเอาคืนเราคิดอยากจะให้อยู่แล้วคิดจะมาทําบุญที่วัดแต่มาไม่ถึงวัดถูกขมโมยไปก่อนก็เหมือนกันขโมยไปมันก็เป็นการทําบุญเหมือนกันก็ไปเหมือนกันเสียเงินไปเหมือนกันเสียเงินที่วัดกับเสียเงินระหว่างทางต่างๆกัน มันก็เสียเหมือนกันถ้าคิดไปในทางที่ถูกมันก็จะไม่ทุกข์ถ้าคิดไปในทางที่ไม่ถูกก็จะทุกข์ถ้าคิดไปในทางความอยากอยากได้คืนนี้มันก็จะทุกข์แต่เวลาทำบุญนี้เราไม่ได้คิดอยากจะได้คืนก็เหมือนเงินถูกขโมยเราไม่เราไม่อยากได้คืนเราก็ไม่ทุกข์ตอนนี้เราชอบคิดไปในทางความอยากอยากไม่เป็นของเราอยากให้อยู่กับเราเป็นนาน อยากไม่ให้จากเราไปเราจะคิดอย่างนี้นิสัยของใจเราจะคิดอย่างนี้กันเราเลยทุกข์กันทุกข์กับทุกสิ่งทุกอย่างทั้งน้านที่ทุกสิ่งทุกอย่างมันก็ต้องจากเราไปอยู่ดีแต่ถ้าเรามาสอนใจให้คิดไปในทางที่ถูกว่าทุกสิ่งทุกอย่างไม่ช้าก็เลยมันก็ต้องจากเราไปก็ให้มันไปสิเดี๋ยวเวลามันจะไปเราห้ามมันได้หรือเปล่าก็ห้ามมันไม่ได้อยู่ดีเราไปทุกข์กับมันทาไมเมื่อมันไป เราคิดถ้าเราหยุดความคิดไม่ดีได้แล้วเราสอนให้มันคิดต่ทางที่ดีต่อไปเราจะไม่ทุกข์กับท่านนะแล้วก็ถ้าเกิดว่าคนก็ฝากเงินมาร่วมบุญนะคะอะแล้วมันหายไปก็บอกเขาถือว่าได้ทําบุญแล้วไม่รักนะเพราะ <c oughs> ว่าเกิด <c oughs> เกิดขึ้นกับโยมเอโยมก็เลยเนือ้อถ้าเราอยากถ้าเราอยากจะอยากช่วยใช้เขาเราก็จะได้บุญอีกเพิ่มขึ้นก็ได้ ถ้าเขาไม่ไม่อนุโมทนาว่าเงินฐานนี่เป็นกา ร, <c oughs> รทําบุญแล้วก็เอาเงินของเขาไปทําบุญให้เขา้าต่อหนึ่งก็ได้เราก็รับผิดชอบ <สะ S 1> เป็นคนที่เอาเงินเข้ามาเราก็ต้องรับผิดชอบก็จริงๆเขาก็ให้เราก็ร่วมบุญกับเราเราก็บอกเขาว่ามันก็เหมือนกับทําบุญนะพราะมันก็ไปเหมือนกัน่เออแต่ถ้าเขาไม่เห็นอย่างที่เราเห็นก็อยากต้องออกไปให้พระให้วัดอะไรเงี้แล้วก็ไป แล้วก็ฟาดกระเป๋านะเราก็ได้ต่อแต่ว่าอายุปอกแล้วก็ได้ต่อนึง ไ, ได้สองต่อได้กําไรสองเท่าได้บุญสองเท่าเลยเน <c oughs> ี่ยความคิดคิดอย่างเงี้ยแล้วมันจะมีความสุขใจของเรามันคิดแต่จะอยากได้อยากจะเก็บไว้อยากจะยึดอยากจะติดกับสิ่งต่างๆ <c oughs> แต่ทุกสิ่งทุกอย่างนี่มันต้องจากเราไปหมดไม่ว่าจะเป็นอะไรมันไม่จากเราเร า, เราก็ต้องจากมัน งั้นเราต้องหยุดความคิดไม่ดีว่าต่อไปนี้เราอย่าไปคิดหวงคิดรักคิดอะไรอห่าไม่ดีคิดแล้วเวลาสูญเสียสิ่งที่เรารักไปเราจะเสียใจให้มากลับมาคิดว่าทุกสิ่งทุกอย่างจะต้องมีการพัดพลาดจากกันพระเจ้าสอนให้เราคิดอยู่เรื่อยๆว่าเกิดมาแล้วย่อมมีการพัดพลาดจากกันเป็นธรรมดาลวงพ้นจากการพัดพลาดจากกันไม่ได้ไม่ว่าจะเป็นของหรือเป็นคน ไม่ช้าก็เลยก็ต้องมีการจากกันให้มาเปลี่ยนความคิดใหม่ตอนต้นก็หยู่ความคิดก่อนเวลาหยู่ความคิดแล้วใจจะมีความสุขพอสุขแล้วใจก็จะปล่อยได้ตอนนี้เราปล่อยไม่ได้เพราะว่าเราคิดว่าถ้าไม่มีสิ่งต่างๆที่เรายึดติดอยู่นี้เราจะทุกข์มากเราเลยไม่ยอมปล่อยเราไม่ยอมไม่สิ่งต่างๆที่เรายึดอาศัยเป็นของให้ความสุขกับเราพอเข จากเราไปเราจะรู้สึกทุกข์มากแต่ถ้าเราหยุดความคิดนี้ได้ใจเราสงบใจเราจะมีความสุขขึ้นมาแล้วเราจะเห็นว่าเอ๊ะเราไม่มีอะไรเราก็อยู่ได้เรามีความสุขได้จากการหยุดความคิดจากการปล่อยวางของต่างๆอง น, นเราก็ปล่อยได้เวลานั่งสมาธิหยุดหยุดใจไม่คิดอะไรนี้เราปล่อยวางทุกอย่างชั่วคราว เวลาอยู่ในสมาธินี้ลืมไปหมดไม่มีลาบยศเสริญไม่มีความสุขไม่มีสมบัติไม่มีใครใช่ไหมอยู่กับความว่างการอยู่กับความว่างกับมีกับมีความสุขมากกว่าการอยู่กับลาบยศเสริญอยู่กับสิ่งต่างๆพอเราเห็นผลแล้วว่าโอการอยู่กับความว่างนี่ดีกว่าต่อไปเราก็จะละได้หมดเลยเข้าใจไหมนั้นการเจริญสตินี้ทําได้ทุกเวลา แต่เวลานั่งสมาธินี้ต้องนั่งถ้าไม่นั่งมันจะไม่สงบเต็มที่การจเจริญสตินี้มันสงบแต่ไม่สงบเต็มที่มันไม่รวมมันไม่แยกออกจากร่างกายถ้าต้องการให้มันรวมให้มันแยกออกจากร่างกายนี้ต้องนั่งเฉยๆเพราะเวลาเดินหรือยืนทำลานี้ใจยังต้องประครับประคองร่างกายอยู่ใจยังต้องทำงานอยู่เขาถึงเรียกว่าเป็นการจเจริญสติ เช่นพุโทโธพุธโทโธไปไม่ว่าเรากำลังทาอะไรอยู่เราพุโทโธพุธโทโธไปนี้เราเรียกว่าเป็นการเจริญสมาธิเจริญสติเวลาที่จะต้องการสมาธินี้ต้องนั่งสมาธิคือความนิ่งสงบของใจอย่างเต็มที่ใจรวมเป็นหนึ่งเรียกว่าสมาธิข้อที่สองคำว่าบาปนรกความทุกข์สามคำนี้ความหมายเดียวกันหรือเปล่าคะ ครว่าบาปก็คือเหตุเป็นเหตุคือการกระทาที่เป็นโทษกับตนเองและกับผู้อื่นเช่นการฆ่าสัตว์รักทรัพย์ประพฤติผิดอะไรนี้การโกหกนี้เรียกว่าเป็นการกระทาบาปเป็นเหตุที่จะทำให้เกิดผลก็คือทุกความทุกข์ใจทำแล้วเราจะไม่สบายใจเวลาเราไปรักทรัพย์นี่เราจะไม่สบายใจเวลาที่เราไปฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเราจะไม่สบายใจ เรียกว่าผ่านทุกข์แล้วเวลาตายไปก็ไปอบายอาจจะไปนรกก็ได้อาจจะไปเป็นเดรัจฉานเป็นเปรกก็ได้แล้วแต่ความหนักเบาของบาปที่เราทํามันบาปก็เป็นเหมือนกับการทําผิดกฎหมายทําผิดกฎหมายเขาก็มีโทษต่างกันบางทีก็จําคุกห้าปีจําคุกสิบปีจําคุกยีสิบปีจําคุกตลอดชีวิตหมือประหารชีวิตบาปนี้ก็เหมือนกันครับ เบ า, บาหน่อยก็ไปเป็นเดรัจฉานหนักขึ้นมาก็ไปเป็นเปรตหนักกว่านั้นก็ไปเป็นอสุรกายเป็นผีหนักที่สุดก็ไปนรกอันนี้มีความหนักเบาต่างกันคาถามข้อที่สามได้บุญได้อยู่บนสวรรค์กับความสุขเป็นความหมายเดียวกันหรือเปล่าคะบุญก็คือความสุขใจขณะที่มีชีวิตอยู่นี่ใจก็ มีความสุขใจได้ยังไม่ต้องรอให้ตายถึงจะได้บุญอย่างเมื่อนิยา่าโยมาทําบุญนี้ก็มีความสุขใจแล้วอันนี้จะเรียกว่าสวรรค์ชั่วคราวก็ได้เพราะเดี๋ยวเกิดไปทําอะไรขึ้นมาแล้วใจไม่สบายความสุขใจที่ได้จากการทําบุญก็จะหายไปคอามยิงไม่หายจะถูกจะถูกอารมณ์ไม่ดีมามาม า, มากดเอาไว้บุญที่ทําไว้ก็ยังมีอยู่แต่ไม่สามารถแสดงผลได้ ก็มีการกระทาอย่างอื่นเช่นการกระทาบาปทำให้ใจเราไม่สบายเกิดขึ้นมามันก็สลับกันไปเราก็ขึ้นๆลงๆระหว่างสวรรค์กับกับนรกเวลาที่เราไม่สบายใจก็เหมือนตกนรกเวลาที่เราสบายใจเราก็เหมือนขึ้นสวรรค์แล้วมันจะสะสมไว้ในใจเราพอเวลาตายไปนี้บุญกับบาปมันจะมาแย่งใจของเราไป อันไหนมีกำลังมากกว่าก็จะดึงไปในทางของเขาถ้าบาปมีกำลังมากกว่าก็จะดึงใจไปอบายถ้าบุญมีกำลังมากกว่าก็จะดึงใจไปสวรรค์โดกว่าบุญกับบาปนี้จะเท่ากันไม่สามารถดึงไปสวรรค์และดึงไปอบายได้ก็กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่คำถามจากทาง youtube จากคุณพลพักนะครับถ้าไม่อยากเกิดอีก การถือศีลเจริญสติด้วยการออกบวชตลอดชีวิตไม่ว่าจะเป็นพระหรือแม่ชีเป็นทางลัดกว่าการเป็นคารวาสหรือเปล่าคะคือถ้าเป็นคาราวาสมันไม่มีเวลาพอเห <c oughs> มือนนักกีฬาเนี่ยถ้าอยากจะได้เหรียญทองเหรียญเปรตนี่จะต้องไม่มีงานอย่างอื่นทาํามีแต่งานซ้อมกีฬาทั้งวันทั้งตลอดเวลามันถึงจะสามารถไปแข่งขันกับเขา ถ้าไปทํางานนี่ก็จะมีเวลาซ้อมตอนเลิกงานหรือวันเสาร์วันอาทิตย์เท่านี้แล้วบางทีก็เหนื่อยจากการทํางานก็ร่างกายก็ไม่พร้อมที่จะซ้อมได้อย่างเต็มที่ในชีวิตของคารวะก็แบบนี้จึงไม่สามารถไปนิพพานได้นอกจากคาราวะาบางคนที่มีบุญไม่ต้องทํางานมีเงินไม่ต้องไปทํางานมีเวลาที่จะปฏิบัติทําได้ตลอดเวลา จะบวชก็ได้ไม่บวชก็ได้ก็สามารถไปได้พวกที่บวชกันก็เพราะว่าเขาไม่ต้องการที่จะมาทำงานห า, หากินเลี้ยงปากเลี้ยงท้องเขามาบวชแล้วก็มีคนเลี้ยงปากเลี้ยงท้องให้กับเขาญาติโยมก็ใส่บาตรถวายข้าวของอะไรต่างๆเขาก็เลยไม่ต้องมาเสียเวลาถึงเวลาก็มีกินกินเสร็จก็ไปเดินจงกรมนั่งสมาธิไปปฏิบัติธรรมได้เลย งั้นการบวชนี้เป็นการเอื้อต่อการบรรลุเหมือนกับนักกีฬานี่เขาก็มีสปอนเซอร์กันใช่ไหมต้องมีบริษัทที่เข า, าสนับสนุนพวกนี้จะได้ไม่ต้องไปทํางานมีสนับสนุนค่าใช้จ่ายาต่างๆ ต, ต, ต, ต้องจ้างโค้ชมาต้องจ่ายค่าอาหารค่าที่อยู่ที่พักจ่ายค่าใช้จ่ายอะไรต่างเพื่อให้นักกีฬานี้ได้ซ้อมอย่างเต็มที่เลย พอถึงเวลาก็จะได้ไปแข่งกับเขาได้แต่ถ้าให้นักกีฬาที่จะไปแข่งเหรียญทองนี้ไปทํางานด้วยไม่มีทางที่จะไปแข่งสู้กับเขาได้หรอกจะในพวกที่อยากจะไปนิพานก็ต้องไปบวชกัน 99.9% ที่บรรลุถึงนิพานกันก็เป็นนักบวชทั้งนั้นแหละมียกเว้นเพียง 1.01% ที่อาจจะเป็นพวกที่ไม่ต้องบวช เป็นพวกที่มีบุญเก่าติดตัวมาเยอะพอฟังธรรมแป๊บเดียวก็บรรลุได้เลยอย่างนี้มีน้อยมากส่วนใหญ่แล้วต้องบวชกันคือถ้าถือศีลแปดแล้วก็คําว่าบวชนี่ไม่ได้มาเขาจะต้องนุ่งนุ่งขาวหบขาวหรือนุ่งเหลืองห่มเหลืองก่อนหัวเนะ่ก็ถือศีลแปดแล้วปฏิบัติธรรมอย่างเดียวไม่ได้ทํา ไปทำมาหากินทำอะไรต่างๆก็ถือว่าเป็นนักบวชเหมือนกันอยู่คนเดียวไม่ได้อยู่กับครอบครัวไม่ได้ยุ่งกับใครนี้ก็เรียวกว่าเป็นเป็นนักบวชเหมือนกันคาถามจากคุณทันถ้าเราไปปฏิบัติธรรมที่วัดเดือนละเจ็ดถึงสิบวันมาเป็นเวลาเกือบสี่ปีเมื่อต้นปีที่ผ่านมาเลื่อนล้มขาได้รับบาดเจ็บทำให้ไม่สะดวกที่จะไปอยู่ที่วัด จึงได้ปฏิบัติอยู่ที่บ้านมาตั้งแต่ต้นฟีจนถึงบัดนี้อยู่ที่บ้านรู้สึกสงบเหมือนอยู่วัดตอนนี้ขาหายแล้วควรไปปฏิบัติที่วัดอีกไหมเจ้าคะก็ดูว่าที่ไหนมันดีกว่าที่ไหนดีกว่าก็ไปที่นั้นถ้าอยู่บ้านดีกว่าไปวัดก็อยู่บ้านถ้าไปวัดดีกว่าอยู่บ้านก็ไปวัดถ้าอยู่บ้านก็ดีไปวัดก็ดีก็อยู่ที่ไหนก็ได้อยู่บ้านก็ได้ไปวัดก็ได้ให้ดูผลว่าอันไหนมันดี คำถามจากพี่พัชรานะครับซึ่งเป็นผู้ป่วยมะเร็งนะครับซึ่งตัวพี่เขาเองอยากจะหยุดยานะครับที่เคยส่งคำถามมานะครับแล้วแต่ว่าทางญาติเขาเนี่ยอยากให้สู้ต่อตอนนี้อยู่ที่สิงคโปร์นะครับส่งข้อความมานะครับว่าระหว่างที่เราเจ็บปวดทรมานทางร่างกายใช้ภาวนาพุโทโธอย่างเดียวไปเรื่อยๆเพราะจิตรวมยากขอพระอาจารย์เมตตาชี้แนะด้วยค่ะถ้าเราใช้พุโทโธมันก็อย่างน้อยยับยั้งความคิดที่จะอยากให้ ความเจ็บนี้หายไปมันก็จะลดความทรมานใจได้แต่มันก็เวลาใดที่เราหยุดพุโทโธเราเพลอเดี๋ยวความอยากให้ความเจ็บหายไปมันก็จะผล่ขึ้นมาความทรมานใจก็กลับขึ้นมาใหม่ถ้าเราอยากที่จะกําจัดความทรมานใจอย่างอย่างถาวรเราก็ต้องใช้ปัญญาเราต้องยอมรับว่าความเจ็บนี้เป็นเรื่องปกติของร่างกาย ที่เราห้ามมันไม่ได้สั่งมันไม่ได้เวลาเจ็บไข้ได้ป่วยมันก็ต้องเจ็บเป็นธรรมดาแต่เราไม่ต้องทรมานกับมันได้ถ้าเราปล่อยวางเราอย่าไปอยากให้มันหายยอมรับความจริงมองความเจ็บของร่างกายเหมือนกับฝนฟ้าอากาศเวลาฝนตกแดดออกนี่เราไม่ค่อยทรมานกับมันเพราะอะไรเพราะเราไม่ได้ไปยุ่งกับมันนั่นเอง แต่ถ้าเราไปยุ่งกับมันเมื่อไหร่ไปอยากให้มันไม่ตกนี้ใจเราก็จะวุ่นขึ้นมาได้ดันในความเจ็บของร่างกายก็เป็นเหมือนดินฟ้าอากาศที่เราไม่สามารถที่จะไปะควบคุมบังคับให้มันหายไปได้เมื่อมันไม่หายเราก็หัดอยู่กับมันสิวิธีที่จะอยู่แบบไม่ทรมานก็คืออย่าไปอยากให้มันหายยอมรับความจริงว่ามันเป็นอนัตตาเป็นธรรมชาติ มันได้เป็นของเราเราไม่สามารถสั่งให้มันหายได้มันเป็นอนิจจงเนี่ยมันมันเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเดี๋ยวเจ็บบ้างเดี๋ยวไม่เจ็บบ้างเราไปสั่งมันไม่ไมให้เจ็บเลยไม่ได้แต่เราสามารถอยู่กับมันได้ถ้าเราทำใจให้เฉยๆอย่าไปมีความอยากกับมันเราจะไม่รู้สึกเดือดร้อนเจ็บก็เจ็บสิเจ็บก็เจ็บไป้วคิดอย่างนี้ก็แล้วแอย่าไปอยากให้มันหาย คำถามจากคุณชัดพิมลเวลาโยมมีเวลาว่างคิดจะปีกตัวมาถือศีลแปดปฏิบัติธรรมที่วัดพอคิดว่าจะไปอีกใจนึงก็จะลังเลห่วงงานอยากหาเงินถ้าไม่ไปบวชเนกขมมกก็จะรู้สึกผิดแต่ถ้าจะไปก็เสียดายงานและรายได้ที่จะขาดไปโยมควรวางใจอย่างไรเจ้าคะก็ต้องชังน้ำหนักดูว่าไนมันดีกว่ากันเหมือนเหมือนรถสองคันเนี่ย ให้เราเลือกเราก็ต้องรู้ว่าคันไหนมันดีกว่าแเราก็เลือกเอาคันที่ดีกว่าะถ้าเขาให้เราเลือกระหว่างรถเบนซ์กับรถโตโยต้านี่เราจะเอาอะไรใช่ไหมอันนี้ก็เหมือนกันเน่ขมะกับงานก็เหมือนกับรถเบนซ์กับรถโตโยต้าแต่เราไม่รู้ว่ามันเป็นรถเบนซ์นั่นสิถ้าเรารู้ว่าเน่ขมะ ม, มันเป็นรถเบนซ์เราก็ต้องเลือกเน่ขมะนะแต่เรายังไปเห็นว่าราบยศสรรเสริญเป็นรถเบนซ์อยู่มันก็เลย กเลยตัดสินใจไม่ถูคำถามจากคุณบงกฎถ้าในกรณีที่เราต้องการจะพูดความจริงแต่เรารู้ว่าถ้าพูดความจริงออกไปจะทําให้ผู้ฟังมีความทุกข์โมโหเสียใจหรือไม่ยินยอมในให้เราทําในสิ่งนั้นๆเราควรจะทําอย่างไรดีคะเราจะบาปมากไหมคะหรือเราควรจะพูดความจริงไปเลยทั้งๆ ท, ท, ที่เขาจะเสียใจแต่เราไม่ได้ผิดสินคะ่ะ ออการไม่พูดอะไรนี่ไม่ผิดอะไรทั้งนั้นถ้าคิดว่าพูดแล้วเกิดความเสียหายก็อย่าไปพูดจานั้นเองการไม่ได้พูดนี่ไม่ไม่บาปแต่การไปพูดป่นนี่มันบาปเนอ้อย่าอย่าพูดปด่นอย่าพูดดีกว่าเฉยๆไว้ถ้ารู้ว่าพูดแล้วทาให้เสียหายก็อย่าไปพูดคำถามจากคุณเบิร์ดกระผมนั่งสมาธิแต่ใจไม่สงบจะได้บุญไหมครับ ก็ได้น้อยอ่ะได้จากการพยายามพยายามนั่ก็ยังดีกว่าไม่ไม่ไม่ไมพยายามเลยแต่ยังไม่ได้ได้มากอาจจะได้นิดๆหน่อยๆยังไม่ได้เต็มที่ได้ความพยายามอย่างน้อยก็ต้องมีความพยายามก่อนถึงจะได้ผลถ้าไม่มีความพยายามเลยก็จะไม่ได้เลยฉันขอให้พยายามต่อไป ปัญหาส่วนใหญ่เกิดจากการที่เราไม่เจริญสติกันก่อนนั่นเองจะมาเจริญตอนที่นั่งนี้มันไม่พอต้องเจริญก่อนที่เรามานั่งเอาตั้งแต่ตื่นเลยพอลืตาขึ้นมาก็พุโทโธพุโทโธไปเลยอย่าปลอให้จใจคิดถึงเรื่องราวต่างๆทําอะไรไปก็พุโทโธไปอาบน้ำไปก็พุโทโธไปล้างหน้าแปรงฟันก็พุโทโธไปแต่งเนื้อแต่งตัวเก่งอาหารก็พุโทโธไปแล้วพอเวลานั่งสมาธิมันจะสงบได้ เพราะมันได้ถูกควบคุมไว้แล้วคงถามจากคุณนิคมการทำบุญควรที่จะทำกับเนื้อนาบุญจะได้บุญมากกว่าใช่ไหมครับคือบุญมันมีสองประเภทนที่เราจะได้ในขณะที่เราทำบุญบุญประเภทอย่างนี้ทำกับใครก็ได้เหมือนกันคือความสุขใจอิ่มใจเราทำกับใครเราเสียสละเงินทองไปแล้วเราก็เกิดความสุขใจขึ้นมา ให้ขอทานก็ได้ความสุขใจทําบุญกับพระก็ได้ความสุขใจอันนี้ได้เท่ากันหมดไม่ว่าจะทําอใครแต่มีบุญในการที่เราจะได้จากคนที่เราไปทำบุญ ด, ด้วยคือเขามีของแรกเปลี่ยนให้กับเราเหมือนกับเราไปเติมน้ำมันที่ปั๊มน้ํามันปั๊มน้ํามันมาปั๊มเขาก็มีของแถมนอกจากเติมน้ํามันแล้วยังมีผ้าขนหนูในน้ำเดือด เรื่อมีชิงโชคเราอยากจะได้อะไรเราก็เลือกไปปั้มนั้นใช่ไหมถ้าปั้มเราชอบชิงโชคแล้วก็หาปั้มที่ต้องมีให้ชิงโชคถ้าเราชอบน้ําดื่มแล้วก็ไปเติมปั้มที่ได้น้ําดื่มแต่ที่ได้เหมือนกันก็คือได้น้ํามันทําบุญกับใครก็ได้ความสุขเหมือนกันแต่คนที่เขาจะให้กลับมานี้อาจจะไม่เหมือนกันมาทําบุญกับพระนี่เขาก็จะมีธรรมะให้เราเนี่ยเรามานั่งเนี่ยมาทําบุญเนี่ย เรามานั่งฟังเทศฟังธรรมนึ่เราได้ธรรมะลับไปถ้าไปทําบุญที่โรงพยาบาลคุยกับหมอหมอก็คุยเรื่องโรคมะเร็งโรคอะไรให้เราฟัง <c oughs> ใช่ไหม <c oughs> ถ้าไปทําบุญที่โรงเยาบาลเขาก็คูดเรื่องวิชาความรู้ต่างๆให้เราฟัง <c oughs> เราก็ได้ไม่เหมือนกันดังนั้นเราต้องเลือกถ้าเราต้องการอะไรนี้บุญบุญชนิดนี้เราต้องเลือกแต่ถ้าเราต้องการบุญชนิดเดียวนี้คือความสุขใจอิ่มใจ เอาเงินไปสาธนาารบุญนี่ทำที่ไหนก็ได้เหมือนกันพระอาจารย์ครับผลจากการทําบุญที่ด้วยปัจจัยหรือสิ่งของจะได้รับกลับคืนมาในชาติหน้าแล้วผลจากความสุขจะได้กลับในชาติหน้าเป็นลักษณะไหนครับพระอาจารย์เวลาได้เงินก็มีความสุขมาเลยอย่างคนช่วยเหลือคนอื่นคนกลับมาชาติหน้าก็จะมีคนคอยช่วยเหลือคนอทําอะไรอย่างไรกับใครก็จะได้อย่างนั้นกลับมา หมายความว่าถ้าได้ความสุขมากๆชาติหน้ากลับมาก็จะเป็นผู้มีความสุขมากเหมือนกันหรือว่าไม่เกี่ยวมันก็จะได้เวลาเกิดผลไงเวลาเราเดือดร้อนแล้วมีคนมาช่วยเหลือเราเราก็จะเกิดความสุขขึ้นมาเพราะเราเคยช่วยเหลือผู้เราทำอะไรเรามันจะได้แบบนั้นมันจะไม่ได้ไม่ใช่ว่าเราให้เงินทองเขาแล้วเราจะได้ผลอย่างอืเราให้เงินทองเขาชาติหน้าเรากลับมาเราก็จะได้เงินทองกลับมา เราให้ความช่วยเหลือผู้ชาติหน้าแลกลับมาเราก็จะได้รับความช่วยเหลือจากผู้คาถามจากคุณชาวิวันถ้าเราเงินน้อยแล้วไม่ได้ทำบุญด้วยเงินชาติหน้าเราก็จะจนทรัพย์เหมือนเดิมหรือเปล่าคะแล้ไม่ทำมันก็จนเรื่อไม่จนก็ได้ถ้าเรามีความขยันเราก็สามารถที่จะหาเงินได้การหาเงินนี้มันไม่จำเป็นจะต้องหาจากบุญอย่างเดียว แต่อบุตรี่มันง่ายไงมันรอเราอยู่แล้วเหมือนส้มหล่นแต่เงินยา ง, างเงินทางอื่นก็ยังหาได้บางคนเกิดมายากจนแต่ก็มีความขยันมีความขวนขวายก็สามารถล่อนเงินขึ้นมาได้ <c oughs> มันไม่ได้อยู่ที่จากการท ำ, ทำบุญอย่างเดียวคำถามจากคุณติงน้อยในที่ทำงานมีเพื่อนร่วม ง, งานไม่ปฏิบัติตามหน้าที่ไม่ใส่ใจงาน เราดูพฤติกรรมมานานหลังๆนอนเวลางานแอบนอนแอบเล่นคอมเราบอกผู้บริหารผู้บริหารพิจารณาปรับย้ายงานคนนั้นเหตุนี้เราบอกคนเราบาปไหมครับเราพูดจริงมันเกินจะทนและไม่ไหวคะ่ะก็อยู่ที่ว่าเราเราทำด้วยเหตุผลนั้นใดถ้าเราทำด้วยความ อ, อิจฉาลิถิยามันก็ไม่ดีเห็นเขาสบายเราทำงานคนเดียวอย่างนี้แล้วก็เลยไปจ้างเจ้าหน้าที่ มันก็จะมีเวรมีกรรมสังคนที่เขารู้ว่าเราไปไปแจ้งเขาก็จะโกรธเกลียดเราได้อาฆาตพยาบาทเราได้แต่ถ้าเราทําไปเพราะเราเห็นว่ามันเป็นประโยชน์ของบริษัทแล้วมันเป็นหน้าที่ของเราที่เราจะต้องทําเราก็ทําไปแต่ผลก็ยังเหมือนกันถ้าเขารู้ว่าเราเป็นคนทําเขาก็จะโกรธเกลียดเราอยู่เหมือนกันแต่ไม่ไม่เป็นการกระทำบาปเพราะเราไม่ได้ไปผิดศีลข้อใดข้อหนึ่ง แต่เราอาจจะไปสร้างเวรสร้างกรรมขึ้นมาแต่ถ้าเราพร้อมที่ยินดีจะรับเวรรับกรรมก็ทำไปถ้าไม่อยากจะมีเวรมีกรรมก็ทำหูหนาตาหูไปนาตาไปไล่ไม่ใช่เรื่องของเราไปคำถามจากคุณมนแผ่เมตตากับแผ่ส่วนกุศลเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไรเจ้าคะไม่เหมือนหรอกคือคว่าแผ่เมตตานี่ก็คือการ ให้ความสุขแก่ผู้ต้องมีคนรับอยู่เช่นตอนนี้เราญาญโยงมาแผ่เมตตาแบงตอนนี้โยญาญโยมาเข้าของต่างๆมาให้พระสง์องค์เจ้าใช้อันนี้เรียกว่าเป็นการแผ่เมตตาให้ความสุขกับพระสงองค์เจ้าส่วนอุทิศบุญนี้เป็นการให้แก่ผู้ที่ร่วงรับไปแล้วเช่นญาญโยมาทำบุญวันนี้ ญาติโยมมีบุญที่จะแบ่งให้กับผู้ที่ร่งรับไปได้เดี๋ยวญาติโยมก็อุทิศไปได้เลยไม่ต้องรอให้พระอนุโมทนาไม่ต้องอะไรเท่านั้นเพราะบุญมันเกิดขึ้นที่ใจเพื่อความสุขใจอิ่มใจนี้ก็ระลึกไปในใจเลยเลยว่าขอแบ่งบุญส่วนนี้ให้กับผู้ที่ร่งรับไปได้เพื่อเขามีความขิวเขาจะได้เอาแบ่งความอิ่มใจของเราให้กับเขาบุญนี้เป็นเหมือนอาหาร นี่คือความแตกต่างระหว่างการอุทิศบุญกับการแผ่เมตตาการแผ่เมตตานี้ไม่จำเป็นจะต้องทาบุญแต่ก็ต้องมีอะไรให้กับผู้ที่รับเขาถึงอาจจะไม่ต้องเป็นเงินทองก็ได้เพียงแต่พูดดีๆให้กำลังใจเขา mm hmm. เขาก็มีความสุขได้นี่ก็เรียกว่าการเปันการแผ่เมตตาหรือเขาทำให้เราเสียใจแล้วเราไม่ไปโกรธเขาอันนี้ก็เป็นการแผ่เมตตาเราไม่ไปจองเวรจองกรรม เอาเวลาหุนตุสับเพสสัตาเอาเวลาหุนตุไม่จองเวรกันใครจะทำร้ายเราทำลายเราอย่างไรเราให้อภัยไม่ถือโทษกดเครืองอันนี้ก็เรียกว่าแผ่เมตตาเช่นขับรถไปเข้ามาชนท้ายเราเนี้ยเอไม่เป็นไรจะ ม, มีประกันไปเถออย่าเสียเวลาเลยรถติดต่างคนต่างไปก็แล้วกันอย่างนี้ก็เรียกว่าเป็นการแผ่เมตตาไม่ใช่มายืนทะเลาะ ก, กันปาก เบียอาบิดคุณผิดผมไม่ผิดอย่างนี้เหนื่อยไปหรอเปล่ า, าไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรคือการแผ่เมตตาคือไม่ให้ความทุกข์แก่ผู้อื่นให้ความสุขแก่ผู้อื่นโดยสรุปความหมายอยู่ตรงนั้นคำถามจากคุณเพียวหลายๆคนที่มีความทุกข์ได้เข้าวัดเพื่อให้พระอาบน้ำมนให้อยากทราบว่าการอาบน้ำมนเป็นกุศโลบาย เพื่อให้เกิดประโยชน์ทางใจเพียงอย่างเดียวใช่หรือไม่คะเพราะคนขี้เกียจอาบน้ำเลยอาบน้ำเองไม่ได้ก็เลยต้องหาอุบายให้ฟ้าอาบน้ำาับก็ น, น้ำแหละจะเป็นอะไรขึ้นมาได้ยังไงคำถามจากคุณสายน้ำถามต่อจากเมื่อวานเรื่องดูลมหายใจเวลานั่งสมาธิ บางทีนั่งดูลมเห็นลมที่จมูกบ้างท้องบ้างแต่บางทีเหมือนเห็นร่างกายหายใจอยู่กลายเป็นเห็นร่างกายหายใจเข้าออกแทนที่จะเห็นลมหายใจเป็นอะไรไหมครับก็ควรจะดูอย่างเดียวอย่าไปดูหลายอย่างให้ดูลมอย่างเดียวดูที่ปลายจมูกให้รู้ว่าเข้าให้รู้ว่าออกแค่นั้นก็พอถ้ามันจะไปรู้อย่างอื่นก็ดึงมันกลับมาให้ดูที่ลมที่สัมผัสที่ปลายจมูก เวลาเข้ามันก็จะสัมผัสที่ปลายจมูกเวลาออกมันก็จะสัมผัสที่ปลายจมูกให้เฝ้าดูเพียงอย่างนั้นเพียงอย่างเดียวอย่าอย่าเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาถ้าเปลี่ยนแล้วมันจะไม่สมงบคําถามจากคุณพัทนพรวันนี้ลูกไปใส่บาตรเช้าซึ่งเป็นวันพระและวันหวยออกลูกเคยเห็นข่าวที่ว่าพระถูกลอตเตอรี่เลยอยากทราบว่าพระสามารถซื้อลอตเตอรี่ได้โดยไม่ผิดวินัยหรือศีลใช่ไหมคะ ก็มันก็เป็นเรื่องที่มันต้องแปลความว่าเป็นการเล่นการพนันหรือเปล่าถ้าการซื้อลอตเตอรี่เป็นการเล่นการพนันก็ความจริงมันจะเป็นไม่เป็นพระก็ไม่ควรจะยุ่งกับเรื่องการหาเงินอยู่แล้วพระเป็นนักบวชมาหาธรรมะหาบุญหากุศลถ้าไปหาเงินนี่ก็ไปศึกดีกว่าไอย่าไปเป็นพระเรื่องการหาเงินนี่มันน้าเรื่องของชาว ข, ของขา ว, ว่าผู้คองเรือน พระนี้พระวุฒิจาห้ามไม่ให้มีเงินมีทองอยู่แล้วแต่ตอนหลังท่านอันุโ่รวมว่าเอาถ้าจำเป็นจะต้องใช้เงินก็ให้ฝากเงินไว้กับลูกศิษย์ลูกหาให้เขาเก็บไว้ให้แล้วเวลาขาดแคนอะไรก็บอกเขาให้เขาจัดซื้อมาให้แต่ไม่ให้ถือครอบครองเงินด้วยตนเองเคยคุยกับพระที่อยู่แบบชนบทมากๆครับพระอาจารย์ ท่านพูดประมาณว่าซื้อหวยเนี่ยถ้าถูกจะเอามาสร้างศาลาเพิ่มอะไรเงี้ยถูกไหมครับอาารไม่ถูกเหร อ, หรอเพราะว่างนานที่ยียงพระไม่ได้มาสร้างศาลา <S S น่าท่างพระมาสร้างนิพพานกันพระพุทธเจ้าไม่เคยสร้างวัดเลยวันนี้ท่านก็ปล่อยให้เป็นศรัทธาของญาติโยมใครมีศรัทธาอยากจะสร้างวัดถวายท่านก็ปล่อยให้ก็สร้างถ้ายังมีใครสร้างท่านก็อยู่คนไม้ของท่านท่านก็อยู่ตามถ้ำ ต, ตามเนื้อผาของท่านไป ท่าไม่ได้เดือดร้อนกับเรื่องการสร้างฐาวัลวัตถุต่างๆท่านเน้นในการสร้าง จ, จิตใจสร้างพระนิพพานขึ้นมาให้หลุดพ้นกันคำถามจากคุณพัชรลักษ์แม่พ่อตายายที่ล่วงรับไปแล้วเราทาบุญตัก บ, บาตถวายสังฆทานออกลรงทานและสวดมนต์นั่งสมาธิและอุทิศให้ท่านท่านจะได้รับใหม่คะถ้าท่านรอรับอยู่ก็ได้ แต่บางทีล้วท่านก็ไม่ได้รอรับท่านอาจจะไปเกิดเป็นมนุษย์แล้วหรือท่านเป็นเทวดา mm hmm. ถ้าเป็นเทวดานี้ก็มีบุญมากกว่าบุญที่เราส่งไปให้ท่านก็ไม่รับรับก็ได้แต่ละก็แบบว่าไม่ได้ไม่ได้รอรับท่านไม่ต้องรอรับเพราะท่านมีบุญของท่านท่านไปตอกนรกก็รับไม่ได้ไปเกิดเป็นเดรัจฉานก็ไปหากินเอาเองจะมีพวกที่มารอรับก็พวกเปรตเท่านั้น คำถามจากคุณเบิร์ตหากไม่ได้ภาวนาพุโทโธแต่ภาวนาคถาในใจแทนเช่นอิติปิโสอย่างนี้จะได้ไหมครับได้ไดเป้าหมายก็คือให้ใจไม่ไปคิดเรื่องราวต่างๆคำถามจากคุณมิลับเวลาส่วนมนต์เจริญสมาธิเสร็จเราแผ่บุญกุศลให้คนที่เราโกรธเกลียดเป็นศัตรูที่เขายังมีชีวิตอยู่เขาจะได้รับไหมครับไม่ได้หรอกเราต้องไปแผ่ต่อหน้าเขา จะเจอหน้าเขาแล้วก็ยิ้มให้เขาซื้อขนมให้เขากินเวลาแทนอยู่คนเดียวเป็นการซ้อมก่อนเตรียมเตรียมใจไว้ก่อนแเวลาเจอหน้าเขาก็จะได้ยิ้มให้เขาอแท่เมตตาให้เขามีคถเจาค่ะพอดีมีเพื่อนรุ่นพี่ท่านหนึงท่านเคยเป็นมีศาสนาพุทธนับถือศาสนาพุทธแล้วแต่งงานย้ายไปเป็นศาสนาอิสลาม่ะคแล้วเลูก ลูกเขาก็นับถือศาสนาอิสลามเช่น ก, กันเขาบอกว่าเวลาเขาเสียชีวิตเวลาเขากลัวว่าเขาจะไม่มีใครทําบุญไปให้เจ้าค่ะ <c oughs> เขาก็เลยเป็นกังวลเจ้าค่ะว่าเขาจะทํายังไงดี อ, อ๋อก็พยายามทําบุญให้มากๆเวลาไปเราจะได้ในบุญติดตัวไปเราไม่ต้องรอให้คนอื่นส่งบุญไปให้เจ้าค่ะแต่ตอนนี้เขาเปลี่ยนศาสนาไปได้ทำบุญกับใครก็ได้เหมือนกันทําบุญในศาสนาเขาก็ได้ กาทำบุญก็คือการแบ่งปันเสียสละทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองของเราน่ทำกับใครได้เนี่ยได้บุญเหมือนกันอย้าไม่ต้องกลัวทำบุญไปได้เรื่อยแล้วไม่ต้องรอให้คนส่งไปทำบ่อยๆทำให้มันเป็นนิสัยทุกศาสนาเขาก็สอนให้ทำบุญอยู่แล้วให้บรยจากเงินทองเข้าของที่เราไม่อยู่ให้แก่ผู้ที่เขาตกทุกข์ได้ยากเดือดร้อนอันนี้ก็ได้บุญแล้ว ที่ที่คนที่ต้องมารอรับบุญเพราะว่าไม่เคยทําบุญเลยหัวเงินของทองจะเอามันไปเที่ยวไปกินไปเล่นไปเดือดร้ายไม่ยอมมาทําบุญกันพอตายไปเลยไม่มีบุญติดตัวไปก็เลยไปแบบขอทานก็เลยต้องมารอรับส่วนกุศลพูดแต่พวกที่ทําบุญงันอยู่เป็นประจําเนี้ยอย่างอาที่ละครั้งมาวัดก็ทําบุญกันหรือไปที่ไหนเห็นขอทานก็ให้เขา mm hmm. ใครมาขอเรียลลัยอยจากให้ช่วยหรืออะไร mm hmm. ก็ทําไป อย่นี้ก็ถือว่าเป็นการทำบุญอยู่ถ้าทำบ่อยๆจิตใจก็จะมีบุญติดตัวไปไม่ต้องรอให้คนส่งไปให้เราว่าบุญที่เขาส่งไปให้เราก็น้อยมากเป็นเหมือนเงินให้ขอทานเอาเขาไม่สามารถแบ่งให้ไปได้มากไปกว่านนะั้นแต่บุญที่เราทำนี่เราทำมากเท่าไหร่เราออกไปได้หมดนั้นบอกไม่ต้องกลัวเรื่องคนที่จะทำมาให้เราหรือไม เราทำของเราเองได้ขณะที่เรามีชีวิตยอยู่ให้ทำเยอะๆไว้อย่าประมาทเพราะว่าเราไม่รู้ว่าเราจะตายเมื่อไหร่ไม่ใช่เหรอมีอไหมได้ถามแลยต้งสวายมีเวลาเยาวๆไม่มีพอดีเมื่อกี้ฟัง เล้วนึกขึ้นมาได้ว่าคนก่อนเจอพี่แล้วเขาก็บ่นว่าเแี่ยเขากลัวว่าเขาตายไปแล้วเขาจะไม่มีคนทําบุญให้แล้วค่ะอกวก็ไม่ต้กลัวเราทําบุญได้รเราจะได้มากก็รอให้คนส่งไปให้เรา อ, ร อ, อะไรไหมหมออยากํามเรื่องความบริสุทธิ์ของศีลนะครัอาจารย์คือเราอาจจะไม่ได้ปฏิภาวนาตลอดแต่ว่าอย่างาะว่าเนี่ยคะ่ะก็จะไป ตัดต้นไม้ขุดดิพอทําโ๊บมันก็เห็นว่ามีสิ่งมีชีวิตอยู่ในดินหนูก็จะอยู่แล้วนรู้สึกว่าหนูกำมางจะทําผิดสิ่สขงข้อหนึ่งถ้าไม่มีเจตนาไม่บาปจะเห็นกะละหรึกเยอย่าไปทําอย่าไปโดนมันอย่าไปทํามันแต่ถ้าเราทําไปโดยที่เราไม่มีการตั้งใจจะไป ท, ทําเขานี้แล้วเขาไปอยู่นั้นก็ถือว่าเป็นเรื่องส่นวิ ส, สัยไปไมงั้นเดี๋ยวเราจะทําอะไรไม่ได้เลยหนูหออยังทําไ ด, ทได้ทำได้ แล้วก็มีเสียงข้อสองค่ะคือมีคนมอกหนูว่าการที่ช่วยเหลือคนไข้โดยการไม่ได้คิดงานคนไข้เป็นการช อ, อ่อกูก็แล้วแต่ว่าเงินที่คนไข้จะต้องเสียนี่เป็นเงินของใครถ้าเป็นเงินของโรงพยาบาลเราไม่เก็บนี้ก็เหมือนกับเราเอาเงินของโรงพยาบาลไปแล้วก็จ้ามจ่ายเงินให้คนไข้แทนถ้าเราเห็นว่าคนไข้เขาไม่มีปัญญาจะจ่ายเราก็จ่ายแทนรัา การที่เราไม่เก็บเงินเข้านี้ก็เป็นการเหมือนกับเอาเงินของโรงพยาบาลไปเอาไรายได้ของโรงพยาบาลไปอันนี้ก็ถือว่าเป็นการรักทรัพย์ก็ได้ยกเว้นทา ง, งโรงพยาบาลเ้าอนุญาตว่าถ้าหมอเห็นว่าสมควรไม่เก็บก็ไม่เก็บก็ได้ถ้าอย่างนี้ก็ไม่ไม่ถือว่าเป็นการรักทรัพย์คือได้รับอนุญาตจากโรงพยาบาลทีอีกทางหนึ่งอะคะ่ะคือพอหนูไม่เก็บคนที่ มีรายได้น้อยช่วยเหลือเขาหนูก็ชดเชยโดยการ อ, อ, อย่างคนไข้คนไหนที่เบิกได้หนูก็อาจจะคิดมากขึ้นแต่นี้เงินส่วนนี้ไม่ได้เข้าหนูอะค่ะเพหนูไม่ได้ทํางานนอกอะอกไรเงี้ยค่ะก็คือเงินลกก็เข้ามาเพิาก็ไม่ได้เข้าเรา <laughs> มันก็ไปมันก็ไปเข่าคนอื่ น, ม, นมันก็เหมือนกับขโมยให้คนอื่นเขาก็คือผิดข้อสก็ยังผิดอยู่ดีนอกจากว่าทางโรงพยาบาลเขาอนุญาตให้เราทําได้ก็ไม่ผิด ท่านก็บอกว่าถ้าคนมีประกันสังคมก็คิดเยอะหน่อยแล้วก็คนไม่มีก็คิดข้าน้อยหน่อยแล้วเาเงินของคนประกันสังคมมาให้มามาชดเชยทางนี้โรงพยาบาลก็ยังได้เงินเท่าเดิม น, นี้ก็ไม่ไ ม, ไ ม, ไม่ไม่มีปัญหาอะไรใครจะเป็นคนบอกว่าทำได้หรือไม่ได้พอพอพองพยาบาล้ว <c oughs> ถามว่านโยาบาลเรื่องของการ อเก็บเงินคนไค้นี่นี่ยืดยุ่นได้ไหมก็ถามก็ได้ไม่ถ้าไม่ได้ก็เราก็อย่าไปทําถ้าเราสงสารเขาเราก็ควักกระเป๋าจ่ายแทนไปบางคนเราก็จะได้บุญแต่ว่ามันควักตลอดนุก็คักไม่ไหวไม่ไหวเราต้องโป่งไปไงต้องเจริญอุเบกขาแปลว่าเป็นเรื่องกรรมของสัตว์ไปเขาถ้าเขาไม่มีจ่ายก็เขไม่มีจ่ายอยู่ดีไม่ใช่หรือ แล้วใครจะมาเคี่ยวแค่เนาจากเขานะก็ปล่อยให้เขาเป็นคนรักทรัพย์ไปเขาไม่จ่ายก็ถือว่าเขาเป็นคนรักทรัพย์ไปมไม่ได้รักษาเขาก็ปล่อยให้เขาเต้นอย่างนั้นไปนไแล้วมัก็ทํายังไงได้ล่ะเข้าใจไเราก็อย่างที่บอกว่าบางทีมันมันเหนือกําลังของเราที่เราจะไปช่วยเหลือคนทุกๆคนได้ถ้าเราอยากมันก็จะทุกไปโดยใช่ห เวลาก็ต้องบางทีก็ต้องเจริญอุเบกข า, าพระเจ้าสอนให้เจริญเมตตาด้วยแล้วก็ให้เจริญอุเบกขาด้วยแต่เวลาเมตตาหรือกรุณานี่มันไม่สามารถที่จะทําได้ก็ต้องใช้อุเบกขาไม่งั้นเราจะทุกข์ทุกข์ไปก็ทําให้เราเดือดร้อนไปแล้วก็ไม่ได้ไปช่วยเหลือเขาอยู่ดีเพราช่วยเขาไม่ได้ก็ต้องถือว่าเป็นเป็นกรรมของเขาไป ที่ไม่มีใครมาช่วยเหลือเขาเพราะชาติก่อนเขาอาจจะไม่เคยช่วยเหลือใครอย่างนี้เรียกว่าได้ไม่คุ้มเสียไหมครับาาอาจารย์ก็นั่นแหละบางทีช่วยเขาแล้วแล้วเราก็อทํา ท, ทานนี่มันอันนี้สมมติมน้อยกว่าทบาบาปทำบาปนี่โทษมันแรงกว่ากับผลที่เราได้แล้วงั้นบางทีพระเจ้าทังสอนหลอนบางทีเราก็ต้องทําใจ ท ำ, ทำใจให้หเป็นอุเบกขาปล่อยวางว่านะเป็นเรื่องของกาบของสัตว์เราจะช่วยสัตว์ทั้งโลกนี้ไม่ได้หรอกต่อให้มีเงินมากมายกี่ล้านกี่ร้อยล้านพันล้านก็ช่วยไม่หมดหรอกคนที่ต้องการชวา่วยเหลือนี่มันเหอืเหอเยอะแยะขนาดบิลเกตเนี่ยหมาเศรษฐีระดับหนึ่งของโลกเขาพยายามไปช่วยในประเทศอฟริกาเนี่ยเขาก็ช่วยได้ในระดับของเขา เขาช่วยได้มากแต่เขาก็ยังไม่สามารถที่จะช่วยได้ทุกคนแ ต, แต่การการที่จะไปแบบว่าคิดเต็มที่ในส่วนของคนที่เบิก<ม>ได้เต็มที่พระอาจารย์มันก็ไม่เท่าก ว, ว่าเป็นการอ่าโกงภาษีประชาชนเหรอครับอาจารย์เพะต้องเอาเงินประชาชนมาใช้ย่าไงหมายว่า<ๆ>ที่เบิกได้ที่เบิกประกันเบิกอะไรได้เงี้ยครับเอามาทดแทนในส่วนที่ ท, ที่ที่ช่วยคนไปเงี้ยก็ต้องเอาเงิน เงินคนอื่นมาก็เหมือนกับก็ต้องไปโกงก็้ามาเหมือนกันก็ไม่โกงเพราะเราสามารถเก็บเขาเราเราสามารถขายของได้หลายราคาไงยังไงเราเห็นคนเศรษฐีแล้วก็าขายราคาเต็มเต็มที่เห็นคนจนแล้วก็ขายราคาลดลงมาหน่อยอเราเป็นคนขายของเราสามารถที่จะเลือกเก็บคนได้ อย่างคนไทยเนี่ยฝรั่งมาเที่ยวสถานท่องเที่ยวอะไรราคาพิเศษของคนไทยก็กราคาเนี่ยเพราะคนไทยมีเงินน้อยกว่าคนฝรั่งเนี่ยเขามีเงินเยอะ ก, กว่านี่เขาก็เลยเรียกเขาได้ต่างประเทศ ก, ก็เป็นเหมือนกั น, นก็มีเหมือนกั น, นเขาก็มีหลายราคาค น, นคน local ก, ก, ก็คิดถูกหน่อยต่างชาติก็แพงหน่อยเขาก็มีการแยกแยะไปตามเรื่องของเขาและ บางทีก็ไม่ได้เรื่องเงินทองบางทีก็เรื่องสีผิวอย่างเงี้ยสถานนี้คนสีผิวนี่เข้าไม่ได้<ม>เขาไม่ต้อนอรับนียจะทํำยังไงมันเป็นเรื่องของกิเอทของคนมีนยังไงครับคํ <c oughs> ถาถามจากคุณฟุ๊กเราออกเงินซื้อของนั้นถวายแต่ไม่ได้ไปถวายเองได้บุญไหมครับคนถวายไม่ได้ออกเงินได้บุญไหมครับได้ได้ไหม คนคนคนเจ้าของเงินนี่ได้ 99% คนที่ไปช่วยเอาไปของไปให้นี่ได้เปอร์เซ็นต์หนึ่งในฐานะเอาของไปให้ก็ได้ก็ยังดี่ไได้คือมันคืคจริงมันไม่ใช่หรอกมันเป็นบุญคนละชนิดคนที่เอาเงินไปให้เอาเอาของไปถวายนี่ได้บุญจากการรับใช้ผู้อื่นช่วยเหลือผู้อื่นส่วนคนที่ถวายเงินซื้อของ นี่เขาได้บุญเต็มร้อยเหมือนกันพี่แต่ว่าเขาไม่มีเวลาไป mm hmm. ก็เลยเปิดโอกาสให้คนที่เขามีเวลาว่าง mm hmm. แล้วได้ทำบุญในในแบบนี้ mm hmm. คือการรับใช้ช่วยเหลือผู้อ่น mm hmm. มีบุญสองประเภทมีต่างกันอันนี้สอก็ต่างกันคนที่คอยรับใช้ผู้อื่นนี่ก็จะไม่ได้เงินทองกลับมาแต่จะมีคนคอยมารับใช้ตนเองต่อไปเวลา mm hmm. ที่ตนเองขาดแคลนเดือดร้อน ตค่ถงงคนนมามจากคุณสายน้าบางวัดมีวัตถุมงคลให้บูชาเพื่อทำบุญแต่ถ้าคนเช่าเห็นแล้วมีความอยากได้จึงเช่ามาบูาจึงเช่ามาบูชาเพราะความอยากได้มากกว่าอยากทาบุญจริงๆแบบนี้จะได้บุญไหมครับเป็นการซื้อของอะ เป็นการเหมือนไปซื้อของที่7ซเ่นเนี่ยก็ไม่ได้อะไรไม่ได้เป็นการทาบุญการทาบุญนี่ต้องทําโดยที่ไม่มีผลตอบแทนให้อย่างเดียวไม่ยินดีไม่ต้องการอะไรเป็นผลตอบแทนแต่ถ้าเขาให้มาเป็นสิ น, น้ําใจหรืออันนี้ก็รับไว้ได้แต่เราไม่มีเจตนามีความตั้งใจที่อยากจะไปเอาเราอยากจะไปให้เน่นเรามาทาบุญที่นี่เราก็ไม่ได้อะไรไปแต่ทางวัดก็มีของแจของ หนังสือแจกอย่างนี้อันนี้ไม่ได้เป็นการซื้อขายกัน<ช>เป็นการให้ต่อกันละกันแต่ถ้าไปซื้อที่ร้านนี้ถ้าคุณไม่ทําบุญเขาก็ไม่ให้ของคุณหรือว่าวัตถุมงคลถ้าคุณไม่ทําบุญเขาก็ไม่ให้อย่างนี้แสดงว่ามันเป็นการซื้อขายแล้ว<ช>เป็นการแลกเปลี่ยนที่นี่ถ้าคุณไม่ได้ทําบุญแต่คุณต้องการหนังสือก็ยังเอาไปได้ไม่มีข้อเงื่อนไขว่าจะต้องทำบุญก่อนถึงจะเอาหนังสือไปได้ อย่างนี้ถึงไม่ไม่เรียกว่าเป็นการซื้อขายกันในการให้ต่อกันละกันเราก็มีของให้คุณคุณก็มีของให้เราอย่างนี้อย่างนี้ก็เป็นบุญทั้งสองฝ่ายโยมก็ได้บุญในวัตถุทานทางวัดทางพระก็ได้หรือเจ้าเจ้าภาพที่พิมพ์หนังสือเขาก็ได้ธรรมทานเราได้บุญมากกว่าวัตถุทานเพราะการให้ธรรมธรรมชนะการให้ทั้งปวง เพราะการให้เงินทางนี้ก็ไปช่วยดับความทุกข์ทางร่างกายเท่านั้นแต่การให้ธรรมะนี่ดับความทุกข์ทางใจที่<ม> ท, ที่สาคัญกว่าความทุกข์ของทางร่างกายคำถามจากคุณพีพัฒผมทำสมาธิจนจิตสงบเบาแล้วแผ่เมตตาให้สัตวตานางังจะได้รับบุญกบาบการภาวนาแผ่ก็แล้ ว, าาาลวมา <c oughs> บอกแล้วเ <c oughs> วลาแผ่เมตตามันต้องไปเจอกัน เวลาอยู่คนเดียวแผ่เมตตานี้เป็นการซอ้อมเป็นการสอนเตือนใจว่าเราต้องเมตตากับคนนั้นคนนี้นะแต่เวลาเจอกันแล้วไปแยกเคี่ยวใส่กันนี้มันไม่ได้แผ่เมตตาถ้าอยากจะแผ่เมตตาเวลาเจอกันแล้วก็เอาข้าวนม่ข้าวของมาฝากนี่เรียกว่าแผ่เมตตาในเวลาสวดมนต์ไหว้พระเสร็จสวนบทแผ่เมตตานี้เป็นการซ้อมเป็นการสอนใจเตือนใจว่าเราต้อง มีความเมตตาต่อสรรพสัตว์ทั้งหลายเราจะมีเมตตาได้ก็ต่อเมื่อเวลาเราไปเจอสรรพสัตว์ทั้งหลายตอนนี้เราอยู่คนเดียวเราจะไปแผ่เมตตาให้กับใค ร, ครเนี้ยเนี้ยยังไม่ได้แผ่นะก็คือจวดมนต์เสร็จนั่งสมาธิแล้วแผ่นี้ยังไม่ได้แผ่เป็นการซ้อมซ้อมใจสอนใจจะแผ่ก็เวลาที่ไปเจอกับคนนั้นคนนี้เวลานั้นจะต้องแผ่ เวลาเขาด่าเราก็สาธุอย่างเงี้ยคำถามจากคุณสมคิดหากเราไม่ได้ไปใส่บาตรเองแต่โอนเงินให้พี่ช่วยทำให้เหมือนรวมกับของเขาด้วยทำแบบนี้ได้บุญไหมคะได้ตอนนี้เข้าถึงเจ็ดแสงสามแล้วเขาจะตัดเงินเมื่อกี้สามแสนกว่า อยวอาจจะถึงง า, านก็ได้อาจจะอันนี้อาจจะถึงา น, น, น, นก็ได้าำถามจากคุณบุญเลืองถ้าลูกถ้าหัวหน้างานมีความโกรธชอบให้ร้ายลูกน้องเราควรปฏิบัติตัวอย่างไรครับเราก็ต้องทําใจมไม่ใช่เรื่องของเราเขาจะโหดร้ายทารุณก็เป็นเรื่องของเขานอกจากว่าเขามาป ร, รึกษากับเราว่าทําไมผมถึงเป็นคนโหดร้ายอยากจะแก้ไขเยอเกินเราก็สอนก็ได้บอกว่าต้อง คิดเอาโหออเขามาใสา่อหเราบ้าง<ม>เขาก็อยากจะมีความสุขเขาก็ไม่อยากจะให้ใครด่างั<ม>้นเราอย่าไปด่าเข า, าเราจะพูดอะไรก็พูดกันดีๆก็ได้<ม>ถ้าเสียอารมณ์ก็อย่าเพิ่งไปพูดสงบสติอารมณ์ก่อนเสี<ม>็จแล้วก็พอไม่มีความโกรธแล้วก็ไปพูดไปบอกกันได้ทําผิดทําถูกอย่างไงนี่พูดกันได้แต่ถ้าไปพูดตอนที่มันโกรธแล้วมันกลายเป็นอารมณ์ไป คำถามจากคุณสาวินาเมื่อเร็วๆนี้ฝันเห็นพี่สาวที่เสียไปนานสามปีมาร้องไห้หนักมากๆเพราะสามีของพี่เขามีเมียน้อยทำร้ายจิตใจจอมใจจนตายในฝันหนูรีบไปรับพี่สาวมาอยู่บ้านพี่สาวขอบคุณบอกว่าขอบคุณนะที่ให้พี่อยู่หนูรีบไปซื้ออาหารมาถวายพระคะ่ะพี่สาวจะได้รับใหมคะ ก็ไม่แน่แต่ว่าที่เราฝันนี่เป็นความคิดของเราเองหรือว่าเป็นพี่เขาจริงๆถ้าเป็นพี่จริงๆถ้าเขารอรับเขาก็รับได้แต่ถ้าเราฝันไปเองเราคิดไปเองเขาไม่รู้อิหนิไหนด้วยเขาไม่ได้มารอรับเขาก็ไม่ได้รับเพราะเราไม่รู้ว่าเป็นฝันนี่เป็นจริงหรือไม่จริงความจริงถ้าเป็นของจริงเราคุยกันได้ถามเขาได้ว่าสารเท้วทุกสุดเดือดพี่เดือดนอนอะไรพี่ต้องการอะไรหรือเปล่านะ ถ้าก็บอกว่าเขาต้องการบูญช่วยทําบุญให้เขาหน่อยถ้าอย่างนี้เราก็เราก็ไปทําบุญแล้ว อ, อุทิศให้กับเขาได้แต่ก็เป็นธรรมเนียมของคนไทยเราของชาวพุทธเราเวลาเราฝันถึงคนตายนี่ก็เอาเผื่อไว้ก็แล้วกันเผื่อว่าเป็นของจริงเขาก็จะได้รับแต่หมายความว่าถ้าเป็นจริงเนี่ยในฝันเนี่ยเราต้องควบคุมสติ คำพูดได้ได้คุยกันได้นะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเรามันคุยไปตามเรื่องโดยที่ควบคุมไม่ได้แสดงว่าไม่ใช่ของจริงไม่ใช่ของจริงอย่างตอนนี้เราคุยกันอย่างเงี้ยเราถามชาวทุกสเุดอะไรกันได้มีนะคนนี้ก็นั่งสมาธิแล้วเขาสามารถติดต่อกับดวงวิญญาณได้อย่างหลปู่มั่นพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านติดต่อกับดวงวิญญาณได้ท่านคุยกันได้ถามได้ว่าเป็นยังไงมาอย่างไงหมดแล้ว คำถามจากคุณดอกลักฟังอยู่ทางบ้านกับฟังที่วัดได้บุญแตกต่างกันไหมคะอ๋อเท่ากันแต่บรรยากาศอาจจะไม่เหมือนกันเพราะบรรยากาศที่บ้านอาจจะมีเสียงรถกึกเครืงจะทำให้ไม่ได้อัธรดหรืออาจจะได้ไม่เต็มที่มาฟังที่วัด น, นี่ที่มันสงบกว่าอาจจะฟังแล้วได้ผลได้ประโยชน์มากกว่าแต่ก็ไม่แน่บางทีมันอยู่ที่สติของเราด้วย ถึงแม้มาอยู่ที่วัดถ้านั่งแล้วใจไปคิดเรื่องอื่นมันก็เหมือนกับไม่ได้ฟังอยู่ดีแต่มันก็มีเหตุปัจจัยหลายอย่างแต่ถ้าไปเหตุปัจจัยอย่างอื่นเท่ากันหมดมีแต่ต่างกันตรงที่สถานที่ก็คิดว่ามาที่วัดมันจะน่าจะดีกว่าเพราะว่ามันบรรยากาศมันเอื้อต่อความสงบก็ต่อความได้ผลมากกว่าก็เหมือนกับการรักษาตัวที่บ้านกับรักษาตัวที่โรงพยาบาลที่ไหนจะดีกว่ากัน รักษาโรงพยาบาลก็มีเครื่องมา้าเครื่องมือมีอะไรครบทุกอย่างรักษาที่บ้านก็อาจจะไม่ครบก็ จ, จะได้ผลต่างกันคําถามจากคุณชุติการหนูไปตักบาตรที่วัดป่าบ้านตาดแล้วแผนไปถูกพระด้านหลังของพระจะทําให้พระศีลขาดไหมคะแล้วตัวหนูจะบาปไหมคะหมอไม่ขาดหลรอกหนูก็ไม่บาปถ้าไม่มีเจตนาถ้ามีเจตนาก็บาป ออาจยะตต้งัวพคําถามจากคุณวรพัฒเมื่อเราได้ชานหมากหรือวัตถุมงคลจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์แล้วนํามากราบไหว้เห็นทีใดมีความปิติมีความสุขแล้วลึกทีใดได้ความสุขปิติอย่างนี้ถือว่าเป็นบุญไหมครับเป็นกุศโลบายให้ใจสงบได้ไหมครับได้คําถามจากคุณหนู เวลาเห็นคนหรือสัตว์ได้รับทุกข์รู้สึกจิตตกแต่ไม่สามารถช่วยได้ทั้งที่พยายามคิดว่าสัตว์โลกเป็นไปตามกรรมจะทําอย่างไรจิตจึงจะเป็นอุเบกขาได้คะก็ต้องบริกรรมพุทโธพุทโธไปคําถามจากคุณภูเราสามารถเบิกบุญมาใช้ได้ด้วยหรอคะก็เวลาถึงเวลามันก็มาเองอเวลาที่เราขาดแคลนอะไรบุญขาดแต่ไม่ใช่ชาตินี้นะอาจจะต้องเป็นชาติหน้า ชาตินี้มันมีแต่จะจนลงลไม่รวยขึ้นหมดหมดแล้วไหนก็ไม่แน่แล้วไม่รู้เนี่ยผลบุญมันจะเกิดเมื่อไหร่ก็ได้อาจจะเป็นชาตินี้ก็ได้ถ้าเกิดเราทําบุญแล้วเกิดเราไปตกทุกข์ได้ยากนี่มันอาจจะมามาคุ้มครองเราก็ได้อันนี้อันนี้พระพุทธเจ้าบอกเรื่องบุญเรื่องกรรมนี้บางทีมันก็เป็นอจินไตยคือเราไม่สามารถที่จะไป กำหนดกฎเกณฑ์มันได้ ม, มันมันมันมีเหตุมีปัจจัยหลายอย่างด้วยกันก็ขอให้รู้แบบรวมๆ ว, ว, ว่าทำบุญแล้วมีความสุขก็แล้วกันทำบาปแล้วก็มีความทุกข์มีการอยากจะถามอะไรเพิ่มไหมถ้าไม่มีจะปิดประชุมนะ <c oughs> เอานะยั้นก็ขอให้ท่านทั้งหลายทรงนำเอาสิ่งที่ได้ยินได้ฟัง <c oughs> ในวันนี้ไปพินิจพิจารณาไปปฏิบัติ เพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งยิ่งขึ้นไปสาธุสาธุสาธุสาธุทาบุ้ทำงานที่สายกันเปนเดียวกันกี่คนเนี่ยที่ไหนโอ้โหยังนะอ่าหกเจ็ดคนนะเมื่อประมาณเดือนที่แล้วมีเหตุการณ์วิกฤตก็คือจะมีการปิด เบสคือเด็กติดแบงคอกเบสประจำประเทศไทยเนี่ยเจ้าค่ะแล้วก็จะต้องเอาลูกเรือทุกคนกลับประเทศคูเวนนะลูกก็ตัดใจว่าลูกจะไม่ไม่กล้าค้าออกเากดินแดนพุทธภูนก็เลยว่าจะออกมาภาวนาแต่ก็เลยพาเพื่อนๆมาว่าไม่ว่าจะเด็กเกิดขึ้นก็ให้ได้มีธรรมะแบบมาให้ทุกก็ขึ้นอยู่กับธรรมะจัดสรรเจ้าค่ะแล้วเาเป็่ยนด้วยยงก็ตอนนี้ก็ เหมือนปฏิหาร่อหนึงเอร์เซนต์มันจะเกิดขึ้นก็แล้วรรตแต่ทำไมเจะประสาะแต่ยังน้อยเพื่อนได้มาแด้มก็ดีการคลิปวิกฤตให้เป็นโอกาส เ, เราจะได้มีโอกาสได้ทำบุญมากขึ้ น, นนะเอาบุญดีกว่านะบุญเป็นของที่เราเอาไปได้ เ, เงินทองก็ได้แค่เฉพาะชาตินี้เท่านั้นนะ